จเจริญธรรมทุกคนอาววันนี้วันที่ส3สาสิงหาคม2557หอาบเจดวันนี้เราจะมาเรียนพุทธชีวศิลป์กันพุทธชีวศิลป์นี่ก็เน้นในเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะให้มากว่างั้นซึ่งเราก็พูดหลักธรรมพูดกันถึงขั้น ปรมัตถ์นะ่ถึงขั้นธรรมะในระดับสูงระดับปรมัตถ์นี่คือระดับสูงระดับขั้นจิตในจิตขั้นที่ไม่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาไปเลยทีเดียวนะ่มีเรื่องของจิตว่ากันถึงเรื่องของจิตในจิตกันถ้าเผื่อว่าผู้ใดไม่ค่อยมีพื้นฐานเนี่ยฟังแล้วก็ลาบากฟังยากฟังเข้าใจยากนะ่ แต่พวกเรานี่มีพื้นฐานกันมาก็เลยไปกันได้นาตมาก็เจตนาจะตอบภพตอภูมิการศึกษาที่ว่านี้ให้มันไปไกล ไ, กลไปจนกระทั่งถึงมีคุณธรรมสามารถรู้ปรมาติปฏิบัติปรมาติจนที่สุดบรรลุธรรมกันถึงขั้นอรหันกันเลยนั่นแหละเจตนาอย่างนั้นจริงๆนะ เพราะงั้ตั้งใจนะ่าตั้งใจกันตั้งใจฟังตั้งใจศึกษาตั้งใจประพฤติปฏิบัติกันจริงๆเพราะธรรมะของพุทธเจ้านะัน้นธาตมามั่นใจและก็ขอย้ายืนยันแล้วว่ายังเป็นศาสนาที่มีเนื้อแท้มีคุณธรรมสามารถศึกษาให้สมาธิธิฐได้พรุทธเจ้าตรัสว่าพุทธตราบใดที่จะสร้างสมาธิฐิมีผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบอยู่ โลกไม่ว่างจากพระอาหารหันต์ท่านตรัอยัง้นเลยจริงๆแต่ท่านก็ตรัดไว้นะว่าศาสนาพุทธจะเสือเส่อมเสืนะ่อมในอานิสูตรที่เคยเอามายืนยันให้ฟังว่าศาสนาพุทธนั้นไม่ใช่ไม่เสือเส่อมนะเสื่อมเสื่อมไปตามอายุการและก็มีเหตุมีปัจจัยทำให้เสื่อมนะแล้วมันก็เสื่อมมาถึงวันนี้มันจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านพะยากรไว ไอ้ตอนที่ตรัสเนี่ยมันยังไม่เสื่อมนะเพราะพระอุเตยังอยู่ท่านตรัสไว้สันพยากรไวนะ้น่ะยังไม่เสื่อมกําลังจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นในซ้ําไปแต่คนคนั่นแหละคนชาวโสมขอไปชาวโสชาชาวพุทธเองนั่นแหละชาวพุทธเองเนะี่ยพาให้เสือ่อมนะพาให้เสื่อมไปจริงๆ แล้มันก็เสื่อมจนกระทั่งมันไม่มีเนื้อของความเป็นโล ก, กุตระไ ม, ม่มีเนื้อของสภาพที่จะทําให้เกิดหลุดพ้นที่เป็นสมาธิที่แท้จริงได้เลยจึงเป็นาศาสนาพุทธที่เหมือนกลองอนกะที่พระพุทธเจ้าท่านพยากรณไว้ในอานิสูตรนั้นว่เป็นาศาสนาพุทธที่มีแชื่อชื่อาศาสนาพุทธคือชื่อกลองเหมือนกลองหรือเหมือนตะโพนตะโพนนั่นก็เรียกกลองก็เรียก ที่ชื่อว่าอนนกะนั่นแหละแล้วก็เหลือแต่ชื่ออย่างนั้นแต่เนื้อแท้มันไม่มีแล้วเนื้อแท้มันหายไปเข้าอื่นมาทดมาแทนไปหมดแล้วไม่เหลือเนื้อแท้เนื้อจริงอยู่เลยดังนี้เป็นต้นนี่คือท่านพยากรณ์ไว้มาถึงวันนี้มันจริงเนื้อแทเนื้อแทของาศาสนาพุทธคืออะไรคือโลกุตรธรรมคือโลกุตรธรรมนี่ที่ท่าน พยากรไว้ในอานิสูตรนี่แหละบอกว่าถ้าเผื่อว่าในอนาคตไปข้างหน้านั้นมันจะเหมือนกลองหรืออัตพลอน า, นากกนี่ซึ่งเหมือนกันกับศาสนาของพระพุทธเจ้าเนื้อแท้หรือเนื้อเก่านะั่นคือโลกุตระแต่มาถึงยุคสมัยต่อมาแล้วเนื้อของโลกุตระไม่เหลือ ใครจะพูดโลกุตระขึ้นก็ไม่ฟังไม่ใส่ใจไม่สนใจสนใจแต่คำสอนใหม่คำสอนไพเราะไพเราะคำสอนที่มันปลุกนะมันปลุกเล่าใจไปในเชิงลาแต่ไปเชิงโลกียะไม่ใช่โลกุตระนะอย่างนั้นแล้วก็จะฟังด้วยดีแล้วก็จะเงี่ยสสดับ จะเข้าไปตั้งจิตไว้ซึ่งเพื่อรู้แล้วก็จักสาคัญทาเหล่านั้นว่าควรศึกษาควรเรียนไปน่นเลยแต่ถ้าเป็นโลกุตระแล้วไม่น่ไม่เอาไม่ตั้งใจฟังน่ไม่เงียโสดดับน่ไม่ตั้งใจตั้งจิตไว้เพื่อรู้ไม่สาคัญว่าทาเหล่านี้ควรเรียนควรศึกษาเป็นยางไ น, นเลยทุกวันนี้เป็นแล้วอย่างที่เห็นนเห็นเนี่ย น่าเป็นแล้วแต่ตราบใดที่มีผู้ปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบหรือมีผู้ศึกษาให้สมาธิิมีสมาปฏิบัติจนเรียกว่าปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบนี่แหละยังมีอยู่ตราบใดโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์อันนี้เราก็พิสูจน์น่าเราได้พิสูจน์เพราะฉะนั้นเรามาศึกษาจนป่านนี้แล้วชาวโซลเราพิสูจน์กันมาหลายสิบปีมาถึงวันนี้ก็มั่นใจเราก็จะ ต่อไปอย่างมุ่งมั่นเพราะเราแน่ใจเรามั่นใจว่าปฏิบัติตามคําสอนทิศทางนี้อธิบายอย่างนี้อุทเทศอย่างนี้นะมีทั้งอุทเทศมีทั้งการประพฤติปฏิบัตินะมีทั้งศีลก็ลักษณะนี้ตรวจสอบตามหลักธรรมพุทธเจ้าได้ชัดเจนจริงๆเลยนะเราก็มั่นใจเพราะว่าจิต หรือว่าความเป็นปัจจิตังจิตเราสงบสงบแบบโลกุตระไม่ได้สงบแบบโลกียะนะเป็นการสงบที่จิตมันกิเลสมันดับมันลดมันจางมันคลายมันดับมันก็สงบส่วนพฤติกรรมกายวาจาใจมันคล่องแคลมันเป็นท่านเรียกเป็นภาษาศัพท์ว่ามันเป็นกรรมยตตาเป็นกรมมยตตา มันเป็นคนกระปรี้กระเป่าแคล่วคล่องปาดเปลี่ยวทำงานทำก้ารอยู่อย่างดีนะอาจจะมีเสียงดังอาจจะมีมีอะไรบทบานเรื่องราวอย่างน้นอย่างนี้อยู่เหมือนกับโรงงานมีสังคมที่มีกิจการกิจกรรมอะไรกันอยู่อย่างคลื้นคืวนเครง่งได้แต่สงบสงบ จากอากุศลสงบจากทุจริตอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นนัยยะอันลึกซึ้งนะั่เป็นไปได้จริงซึ่งเราก็พิสูจน์กันอยูนะ่แล้วก็เห็นจริงกันไปตามนั้นทั้งๆที่พวกเรานี่ยยังว่ากันจริงแล้วยังไม่ได้ดีมากดีนักดีหนาอะไรหรอกแต่มันก็ยืนยันได้มีรูปธรรมมีสิ่งที่ยืนยันได้เพราะ มีหลักฐานนะมีหลักฐานของธรรมะพระพุทธเจ้ามีพระไตปิฎกเราก็เอาพระไตปิฎกเอาหลักฐานต่างๆมาตรวจสอบดูมันก็ใช้ได้นะมันก็ใช้ดีมันก็ตรงนะอาตมาว่ามันก็ตรงมันก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรอย่างนี้แหละมันจึงทำให้พวกเราเข้าใจมีทั้งปัญญาตรวจสอบเห็นตามและมีทั้งหลักฐานที่ทางศูน ส่วนใหญ่กระแสหลักเขาก็ถือพระไตรปิดกฉบับเดียวกันนี้อันเดียวกันเลยแล้วเราก็เห็นว่าเออใช้ได้อันเดียวกันนี่ก็ยังไม่ได้ผิดเพี้ยนไม่ได้ไปอะไรนะพอมาดูมาอะไรแล้วโอ้ดีดีที่ตรวจสอบแล้วเยี่มเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเราก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนะเอาทีนี้เรามาต่อที่อาตมาเอา ยังไม่ไปถึงไหนหรอกยังวิพังกสูตรสูตรที่สองของพระธรรมปิฎกเริ่มสิบหกนะพระธรรปิฎกเริ่มสิบสูตรที่สองวิพังกสูตรไล่ไปไล่มาอยู่นี่ทวนอยู่ในแค่ข้อนนะเริ่มต้นวิพัง์นี่เขเริ่มข้อ4ไปถึงข้อสิแล้วก็ไล่ทวนไปทวนมาย้อนไปย้อนมาอยู่นี่วิพังกสูตรมันข้อสถึงข้อสิดนะลุยไล่มาทางอนุลมแล้วก็ปฏิโลมคืนกลับไปเสื้อตมาก็ไล่ไปอยู่ จากข้อ18ขึ้นไป17ขึ้นไป16บหไล่ตั้งแต่เอาวิชานั่นแหละนะด้วยการสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับรักละลายไปเลยวิญญาณดับนามรูปดับอายตนาดับผัสสะดับเวทนาดับตันหาดับอุปทานดับอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นภาษาละไว้ในฐานที่เข้าใจมีนัยยะดซึ่งซอนอยู่ในนั้น ว่าอะไรดับดับแค่ไหนอะไรยังเหลือที่ยังมีสิ่งที่ไม่มีคืออะไรมันซ่อนอยู่ในนั้นชัดเจนน่ะเป็นข้อ18ไล่ทวนไปอย่างนั้นทีนี้จะดับยังไงเราก็จะต้องค่อยๆเข้าใจกนระบวนการของธรรมะต่างๆว่ามันอยู่ยังไงทำงานกันยังไงสังเคราะห์กันยังไงสังขารกันยังไง บวกลบคูณหารกันยังไงน่าเราก็ไล่ไปอยู่น่าว่ามพอว่าอวิชามันเป็นต้นทางต้นต้นเหตุแล้วแล้วมันก็ไปเหลือเพราะอวิชาแล้วก็มีสังขารเพราะอวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเราก็เรียนรู้สังขารสังขารมีสกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารเป็นอย่างไรอาตมาก็ขยายความสู่ฟังแล้วน่าจากสังขารไปถึงวิญญาณวิญญาณท่าน ยืนยันชัดว่าเราจะปฏิบัตินั้นต้องมีวิญญาณหกคือเกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารเนี่ยเกิดมีประสาทรูปมีโคจรรูปขึ้นมากระทบสัมผัสกันก็เกิดเป็นวิญญาณตาสัมผัสรูปเป็นต้นก็เกิดวิญญาณนี่ว่าผัสสะสามหูกระทบเสียง จมูกก็ทุบกลิ่นลิ้นก็ทบรสอะไรต่างๆไปจนกระทั่งถึงหมดครบก็เป็นวิญญาณหก็ต้องเรียนวิญญาณหวิญญาณน่ะเรียน6กแล้วก็เกิดปัจตุบันมีอ่านอากา ร, รนึกวนามารูปของวิญญาณอาอาการลิงค น, นิมิตอุเทศได้อ่านมรสภาพนั้นได้จริงเพราะอาการวิญญาณเป็นอย่างนี้วิญญาณหรือจิตพอวิญญาณนเราเรียกท่ารู้รว ม, รวม พอเข้าไปอยู่ส่วนรวมของจิตส่ไปอยู่ข้างในเป็นธาตุรู้ข้างในเราเรียกเป็นจิตลึ ก, กไปลึ ก, กไปลึ ก, กไปเราไปสู่ไปปลายทางข้างในเราเรียกว่ามโนวิญญาณองค์ใหญ่จิตองค์กลางมโนองค์ไหนอย่างนี้เป็นต้นน่าท่านใช้คําว่าดังนั้นเรียกกันก็มีนัยยะลึกซึ้งที่ละเอียดแฉ ใ, ใช้แทนกันได้วิญญาณจิตมโนอะไรเนี่ย มันหมายถึงธาตรูปมุนกันหมดได้แต่มันก็ยังมีนัยะละเอียดมีนัยสาคัญที่มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะงั้นเมื่อวิญ ญ, ญาณหไปถึงขั้นนามรูปไล่ไปแล้วนะ ว, วิชาสังขารวิญญาณนามรูปแล้วก็มาไล่ตามไปเรื่อยมีอายตนะมีภัสสานามรูปก็ในข้อ14ก็ว่ากันไปแล้ว ว่า น, นามที่เราจะปฏิบัตินั้นจะต้องอ่านชัดเจนถึงเวทนาอาการเวทนาอาการสัญญาทำงานยังไงและมีอีกเจตนาผัสสะมนสิกานี่เป็นต้นสดรรมะก็ขยายความไปฟังแล้ว่าในรูปในขันของคนเนี่ยมันมีเวทนาขันสัญญาขันทั้งขันขันวิญญาณขันแต่พอเวลามาศึกษารนามมารูป นามได้จะปฏิบัติในปฏิสมุบบาทเนี่ยท่านบอกให้ศึกษาอาการตรงนี้ออาการของเวทนาอาการสัญญ า, าการสังขารนี่ครับขยายไปขยายไปเป็นเจตนาพัฒสมนสิการอย่างนี้เป็นต้นมนสิการคือการจัดการทําใจทำมันเลยเราปฏิบัติเพื่อที่จะจัดการเพื่อที่จะปรับปรุงตกแต่งทําให้มันขึ้นไปสู่ดี สิ่งไม่ดีก็ค่อยกําจัดออกกําจัดออกละออกล่างออ ก, ออกดับออกไปดับออกไปดับออกไปดับสิ่งที่เป็นอกุศสลจิตนั่นคือมณสิการส่วนผัสสะนั้นคือสภาพที่จะต้องปฏิบัติในขณะมีมีมีลักษณะผัสสนะเพราะผัสสะนี่ท่านจึงจัดอยู่ในหมวดนามในหมวดนามเพราะผัสสะแล้วก็จะมีอาการทางจิตเรียกว่าวิญญาณถ้าไม่มีผัสสะ วิญญาณไม่มีถือว่าไม่มีวิญญาณไม่เคยเกิดผัสสะ น, นีผัสสะมีสิ่งสองคือนามและรูปาตาจมกูกทิ้นกายใจทั้งหมดตาหูจมกูกทิ้งกายใจและก็มีวัตถุที่จะสัมผัสเพราะไม่มีสัมผัสไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาให้ศึกษานี่เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นนัยะละเอียดลึกซึ้ง เพระฉนั้นปฏิบัติเพินินเพไม่ครบตามทำคำําสอนพระพุทธเจ้ามันก็พลาดไม่ได้มรรคผลตรงตามคําสอนพระพุทธเจ้านะพอเราเข้าใจผัสเข้าใจว่าแล้วตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเจตนาเจตนานี้แหละคือตัณหาเจตนานี่แหละคือตัณหาที่ท่าในให้ปฏิบัติเจตนา หรือตัณหาเนี่ยท่านในปฏิบัติรู้จักตัณหาที่เกิดจากทวารหกแต่ในเจตนาหรือในตัณหาของมันเองเนี่ยก็ได้เรียนกันมาว่าเจตนามีอะไรเจตนามีสามมโนชนเจตนามีการมตินาภาวะตนาวิภาวตนาสามนั่นเป็นตัวเหตุใหญ่เป็นตัวสมุทัยที่เรต้องรู้จัก และจะกำจัดตัวนี้แหละสำคัญนัะนมันเกิดจริงเป็นจริงต่อเมื่อมีมีการศึกษาตากระทบรูปหูกระทบเสียงอะไรอยู่ตลอดเวลาหทวารห 6, 6อย่างในหวิญญาณหผัสสะหนะเวทนาหตันหานหะกก็คือต้องครบอยู่ทั้งทวารทั้งหททำงานอยู่จริงๆมีผัสสะอยู่ในปัจจุบันนั้นทีเดียวแล้วก็เกิด เกิดอง์รวมนี่ว่าวิญญาณเนี่ยแล้วแจกออกไปแตกออกไปไปเรียกว่าจิตในจิตไปเรียกว่าเวทนาในเวทนาหรือแม้แต่ทำในธรรมแม้แต่กายในกายก็คืออาการจิตทั้งเลยเขาบอกกายในกายก็คืออาการของจิตเสื้อตมาท้วงอยู่ตอนนี้ว่าคนไทยไปเข้าใจคาว่ากายในไม่ใช่จิตเราว่าในชีวิตคนมีกายกับจิตกายก็เลยไปเข้าใจว่าร่าง จิตก็คือส่วนในแยกซะเพราะคำว่ากายมีในัยสำคัญที่ลึกซึ้งว่ากายทิ้งนามมาทำร่วมด้วยอยู่ตลอดไม่ได้กายมีนามมาทำร่วมด้วยอยู่ตลอดไม่มีนามมาทำร่วมอยู่เมื่อไรคำว่ากายไม่มีเรียกกายไม่ได้เพราะนั้นกายจริงๆแล้วมันหมายถึงนามมาทำหมายถึงจิตใจหมายถึงอาการของจิตอาการถึงธาตุรู้ที่ร่วมอยู่ถึงอย่างนั้นเลย ความลึกซึ้งแต่ภาษาไทยเอาคำว่ากายมาใช้จนผิดจนกลายเป็นคำว่ากายเป็นรูปไปเสร็จเป็นร่างไปเท่านั้นไม่มีนามาทรมไม่มีจิตเ็้าไปเกี่ยวข้องเลยด้วยซ้ามันเลยผิดไปอย่างคนละขั้วเลยผิดไปอย่างหกขเมนตีลังกาเลยเพราะการปฏิบัติในเรื่องของกายเนี่ย มันสําคัญที่สุดเลยอาตมาทวนและทวนอีกทวนอีกวันนี้ฟังดีๆจะพยายามขยายทวนคาว่ากายนี่ไปให้มากๆให้เข้าใจชัดๆว่าทําไมมันสําคัญเพราะว่าทุกอย่างนี่จะที่จะองค์กายไม่ว่าองค์ประชุมแม่ว่าองค์รวมไม่ว่าองค์ประกอบของทั้งหลายองค์ประกอบของรูปนามเพราะจะต้องมีกายองค์ประกอบของรูปนามนี่เป็นตัว กระบวนการที่ศึกษาถ้าไม่มีสิ่งนี้ศึกษาไม่ได้ไม่มีกายศึกษาไม่ได้ต้องมีกายให้ศึกษาแม้จะเป็นเน้นว่าเป็นนา ม, มากายองค์ประชุมของนามก็ต้องเกี่ยวข้องอยู่กับทั้งข้างนอกข้างในทั้งหมดแต่ทัตที่สุดกายนี้จะต้องคืออาการทางจิต อาการของจิตโงเจตสิกอย่างนี้เป็นต้นพราะเริ่มต้นที่พุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักที่ท่านตรัสว่าโลกุตระโลกุตระธรรมท่านตรัสว่ามี4ี่สิบหกโลกุตระธรรมแรกนั้นคือ9คุณสมบัติได้โลกุตระมรกรกุตระผลไปตั้งแต่โซดาปฏิมรโซดาปฏิผลไปจนกระทั่งถึงนิพพานก้านั้น ไม่ไหลวันนี้ไม่ไหลละวันในฐานที่เข้าใจใครจำไม่ได้แล้วใครไม่รู้ถามผู้รู้นั่นคือการบอกมาตรมาตรวัดหรือมาตรมาตรมาตรา ร, ระบุระบุมาตรฐานของบุคคลมีคุณสมบัติมีคุณธรรมโล ก, กุตรมาขึ้นไปเป็นโล ก, กุตรได้ตแต่โซดาปฏิมาไปถึงนิพพานเก้าอย่างนี้ คือลักษณะบุคคลที่มีโลกุตระธรรมทีนี้โลกุตระธรรมตัวเ น, เนื้อเนื้อเกิดเป็นอีก37เกิดอีก37ตามหลักโพธิปักเจตธรรม37เรียกว่าโลกุตระ37รวมเกิด9ก็เป็นโลกุตระสีอย่างนี้เป็นต้ น, นอยู่ในพระตรปิฎกเล่ม13ใช่ไหม อยู่ในพระธรรมเปกเล่ม13ข้อ 6, กร้หรือไงเนี่ยอัตมาเมื่อกี้นี่ผ่านหลัดหลัดเรื่องของโลกุตระ 4, ี่เนี่ยเอ๊ะใช่หรือเปล่าฮะสิบหรือ36 31หรือ36ไม่แม่นตรงนี้ไม่แม่นผ่านมาเมื่อกี้นี้อัตมากำลังเขียนอยู่กำลัง อ, งอ้างอิงอยู่ หลัดหลัดไม่ค่อยจำมาประมาณนี้มันเป็นคนไม่ดีไม่ดีตรงนี้ไม่ค่อยจําสิ่งที่ควรจำบ้างนะโลกุตระสี่สิบหกถ้าจะคนคนโลกุตระสี่สิบกก็น่าจะจะเรื่องโลกุตระโพธิปักเจตธรรมสามสิบเจ็ดก็ได้นั่นอยู่เล่มนั่นแหละเอาละเดี๋ยวค่อยอ้างอองเดี๋ยวค่อยมาก็ค่อยดู แต่เนื้อหาไม่มีอะไรท่านตรัสไปชัดเจนว่าเริ่มต้นเป็นโลกุตระจุดแรกไปไงหายไปเลยเสียงอ้าวต่อคำว่ากายนะหรือคำว่าโลกุตระบทแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสก็คือโพธิปักเจตธรรมสเจ พันเริ่มต้นไอ้โพธิปักกีทำสามสิบเจ็ดในเริ่มต้นก็สติปทานสก็ขึ้นต้นในกายในกายฟังดีๆนะอัตมาหยิบคําว่ากายนี่ยมาเป็นตัวหลักในการที่จะขยายความไห้เห็นว่าคําว่ากายนี่มันมีตั้งแต่ต้นจนจบนี่ไรไปยังไม่ได้เข้าภาคปฏิบัตินะนี่เข้าภาคทฤษฎีมันทฤษฎีจะเป็นโลกุตระบทแรกเลยก็คือ ต้องรู้จักกายในกายแล้วก็เรียนรู้กายในกายเป็นบทต้นเรีนรู้กายเป็นบทต้นโดยการปฏิบัติสติปัฏฐานซึ่งปฏิบัติสติปัฏฐานนี้ขึ้นอยู่กับอะไรเมื่อเข้าใจลักษณะของการปฏิบัติสติปัฏฐานแล้วเราก็ไปปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็ไปปฏิบัตสิสมปทานเศไปสังวรสังรวมมีพัษหกนะแล้วก็เกิดวิญญาณ เกิดนา ม, มารูปเกิดอายตนะเกิดผัสสะเกิดอะไรตะะไรนะเลยน่ะเวทนาตัณหาขึ้นมานั่นแหละมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็อ่านสิ่งเหล่านั้นวิจัยสิ่งเหล่านั้นวิตกวิจารณ์สิ่งเหล่านั้นเมื่อวิตกวิจารณ์สิ่งที่เกิดนามธรรมาหรือคําว่ากายเกิดมาสังขาร น, นี่คือกายเรียกเต็มๆว่ากายะสังขาร กายสังขารต่างกับวจีสังขารต่างกาับจิตสังขารอย่างไรกายสังขารหมายถึงองค์ประชุมหรือองค์ประกอบของทั้งรูปและนามนามทั้งภายนอกและภายในนี่คือเงื่อนไขหรือนิยามของคำว่ากายสังขารมีครบทั้งนอกและในมีทั้งรูปและนามครบด้ว่ากายสังขารส่วนวจีสังขารล่ะ วัจจีสังขารนั้นมีแต่ภายในมีแต่ภายในโดยเฉพาะในภายในของวัจจีสังขารนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับรูปเลยอาจจะไม่เกี่ยวกับมหาภูตรูปเลยเพราะวัจจีสังขารนั้นเกิดกาศจากการสังขารคือปรุงแต่งเกิดมาเป็นวัจจีซึ่งเป็นนามธรรมาวัจจีสังขารนยังเป็นลักษณะของภาษาเป็น ม, ามาันมโนวิญญาตยังไม่เป็นวจีวิญญาตยังไม่เป็นกายวิญญาตยังไม่เป็นการอาการเคลื่อนไหวที่ออกมาเป็นวจีกรรมเคลื่อนไหวออกมาเป็นกายกรรมยังอยู่ในมโนกรรมยังอยู่ในวจีวจีสังขารเป็นมโนจะเรียกวิญญาตก็เป็นมโนวิญญาตยังไม่ใช่วจีวิญญาตยังไม่ใช่กายวิญญาต แต่มันก็เรียกว่าอาการเคลื่อนไหวหรือว่าวิญญาตยอยู่ในมโนนั้นปรุงแต่งแล้วเสร็จจึงเรียกว่าปรุงแต่งเป็นอะไรปรุงแต่งเป็นภาษาเป็นคำพูดซึ่งคนมีภาษาคนมีคำพูดชาติไหนก็ใช้คำพูดหรือภาษานั้นซึ่งมันเป็นนา ม, มาทำอยู่ยังไม่ได้ออกมาเป็นพยัญชนะที่จะออกมาแปลงออกมาจากเสียง ถ้าอธิบายเป็นลักษณะากายสังขารคืออะไรกายสังขารคือรวมทั้งนัตจคีตวาธิตตและก็รวมทั้งจิตวิญญาณมนโนกรรมนั่นเรียกว่ากายสังขารส่วนวจีสังขา น, นั้นจะเรียกเป็นภาษาก็คือมีแต่แค่คีตะกาวาทิตะ์คีตวาธิตะ ที่ยังอยู่ในจิตด้วยยังไม่ออกมาเป็นกรรมข้างนอกและมีมโ น, โนแน่นอนอยู่เป็นประธานทุกอย่างวัจจีก็มีมโนเป็นประธานเพราะฉะั้นวัจจีสังขารจึงเป็นจิตตสังขารหรือเป็นมโนมโนกรรมในพฤติกรรมของมโนกรรมเป็นจิตตสังขารเมื่อมันปรุงแต่งกระดอกมาเป็นสภาพหนึ่งนั้นเรียกว่าวัจจีสังขาร อยู่ในจิตสังขารอยู่ในจิตเป็นลักษณะหนึ่งเรียกว่าวาจีสังขารอยู่ในจิตถ้าเข้าใจสังกปะเจตก็จะรู้ว่ากระบวนการของการส่งเคราะห์สังขารกันของเจตติ ก, กะวิตติ ก, กะสังกปะอัปปนาพยะปนาเจตโสภินิโรปนาวจิสังขารเนี่ยมันทํางานกันอย่างไรมันมีกระบวนการว่ามันทํางานซึ่งอธิบายไปมากแล้วนะเพราะฉะนั้นวิจีสังขาร คือสภาพของจิตเท่านั้นที่นี้จิตสังขารต่างกับวัจีต่างกกายยังไงว่าจิตสังขารก็หมายความว่าทั้งองค์รวมของจิตถ้าจะไม่เกี่ยวกันกับมหาภูตรูปก็ได้จะจิตสังขารอง์รวมทั้งหมดเลยจะทํางานอยู่สังเคราะห์สังขารกันอยู่ทั้งหมด มันไม่แยกกันไปมันไม่ไปทํางานาถ้าเอาไอ้สิ่งที่ทําอยู่ก็เมือน ก, กายสังขารเนี่ยมันมีทั้งวจีทั้งจิตส่วนจิตตสังขารมันมีวจีด้วยมีจิตด้วยมันจะไม่เอากายก็ได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนวจีสังขาร น, นั้นยิ่งละเอียดกว่าจิตตสังขารเพราะเฉพาะเฉพาะสังขารที่มันทํางานมาเป็นผลสําเร็จ เป็นผลของการปฏิบัติเป็นผลของอภิสังขารคือได้ชำระกิเลสแหละหรือชำระไม่ได้ถ้าชำระไม่ได้มันก็เป็นวิจิสังขารแต่เป็นวิจิสังขารที่วิจีสังขารยังเป็นผีอยู่ยังไม่เป็นเทวดายังไม่เป็นอุปติเทพยังไม่เป็นวิสุทธิเทวะก็ทำงานตามที่มันเป็นมันเป็นผีมันก็ทำงานตามผี มันเป็นเทวดาก็ทำงานตามเทวดามันก็ตามแต่มันที่จะจะสำเร็จสำเร็จพ้นเป็นอะไรนะอนทีนี้เมื่อปฏิบัติธรรมจะเป็นโลกุตระตัวแรกก็คือกายในกายทิจาจรณากายกายตัวนี้เกิดอย่างไรเกิดจากกายนอกแล้วก็เนืองต่อเป็น ปฏิกิริยาลูกโซ่จากโนดเขยบเข้ามาหาข้างในจากนอกเข้ามาหาข้างในองค์ประชุมร่วมนอกด้วยมีร่วมกับนอกเสร็จแล้วลื่อนก็นมาหาข้างในาองค์ประชุมอยู่ข้างในพอมาเป็ น, อ ง, ป อ, งนองค์ประชุมอยู่ข้างในจิตและองค์ประชุมอยู่ข้างในจิตเราเรียกว่ากายเรียกว่าองค์ประชุมทีนี้องค์ประชุมที่ว่าในองค์ประชุมที่มันอย่างอาวิชาเกิดสังขาร พอเราสัมผัสเรียบร้อยเกิดการปรุงตกแต่งเป็นองค์ประชุมขึ้นมาเป็นสังขารสังขารก็คือองค์ประชุมที่มันสังเคราะห์กันสังขารกันโดยอวิชาแต่ถ้าเราเริ่มปฏิบัติเรา ก, ก็จะเรียนรู้ตัวเหตุแห่งอวิชาแล้วก็กำจัดตัวเหตุอวิชาก็จับสังขารนั้นมาองค์ประชุมนั้นมาแล้วมาพยายามอ่านรู้ลักษณะนามธรรมาในสังขารนั้นนามธรรมาในกายนั้น กายในกายนั้นนามธรรมของมันเมื่ออ่านนามธรรมของมันได้ผู้มีญาณเริ่มต้นตั้งแต่สติปัฏฐานข้อที่หนึ่งของโพธิปัฏจจะธรรมนี่อ่านตัวองค์ประชุมกายในกายนี้ได้ตัวนี้และเรียกว่ากายของตนภาษาบาลีเรียกว่าสักกายสักกายยะ อ่านเมื่อสัมผัสตัดหลัดเดี๋ยวนี้ตากระทบรูปอยู่เดี๋ยวนี้เห็นอยู่เดี๋ยวนี้องค์ประชุมนี้เห็นหลัดหลัดอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องหลับตาไม่ต้องพลากตาไปไหนจากสิ่งที่เห็นนี่เลย อ, อยู่อ่านใจก็มีออกว่ามันเป็นอันนี้แหละที่เรากำลัสัมผัสรู้เนี่ยเรียกว่าสักกายะจนก็ตั้งแน่ใจวิจิกิจฉาพ้นสังโยชน์ข้อที่หนึ่งแล้วสักกายะไม่แต่มีแตทิศีไม่จะมี ท, ทิศิ แต่ตอนนี้มาปฏิบัติมีญาณอย่างรู้ญาณสัมผัสความจริงเห็นความจริงตามความเป็นจริงเรียกว่าปัญญามีปัญญาเห็นของจริงแล้วหรือมีญาณมีเห็นเรียกว่าปัสสะหรือปัจสติเรียกว่าวิปัสนาญาณญาณที่เห็นของจริงแล้วอยู่เห็นอยู่วิหรติเห็นอยู่เดี๋ยวนี้ เห็นแล้วก็วิตกวิจารณ์หรือวิเคราะห์วิจัยหรือเรียกภาษาสมัยมนี้เขาเรียกว่าพิจารณาสติประฐานเสียให้พิจารณาลงไปในกายในกายนั่นแหละพิจารณาวิเคราะห์วิจัยลงไปอาการตรงนี้เป็นอาการของจิตพอมันปรุงแต่งปุ๊บเนี่สังขารตัวปรุงปุ๊บเนี่ยอวิชาเนี่ยมันจะไม่รู้หรอกมันปรุงเป็นอารมณ์เลยปรุงเป็นความรู้สึกอง์รวมเลยกายนี่มันองรวมเลยปรุงปึ๊บ ปรุงปุ๊บแล้วเนี่ยเราเรียกโดยภาษาว่าเฮ้ยมันเป็นเทวดาหรือมันเป็นผีถ้ามันเป็นเทวดามันก็สุกปับ๊บมันเป็นผีมันก็ทุกปุ๊บเป็นเวทนาเป็นอารมณ์กายนี่แหละองค์ประชุมนี่แหละมันปรุงปั๊บเลยทีนี้เราได้ศึกษามาแล้วเราก็ใช้วิจัยวิจารณญาณเขาอ่านแล้วก็วิจัยออกไปแล้วมีวิธีด้วยว่าเอา้าเอ็งกระทบรูปรูปอย่างนี้เอ็งอยากได้ แล้วเองก็คว้าได้เลยเองก็สุขทีนี้ไม่ได้ยิ่งถือศีลเลยว่าเอออันนี้แหะฉันจะไม่เอาฉันจะเว้นฉันจะขาดไม่เอามันอ่าเพราะว่ามันไปตกเป็น่านมันเป็นกิเลสก็เล่นวิธีเวรมณีเวละอารติวิรติปฏิวิรติเว ร, รมณีเว้นขาดไม่ให้มันก็ดินอยากได้อยากได้ไดนั่นะเห็นตัวสมุทย เห็นตัวการของความเป็นผีเห็นหน้าของผีชัดชัดแล้วตัวตนของผีเห็นชัดชัดละคุณเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เห็นเวทนาวิเคราะห์วิจัยในเวทนาว่ามีเหตุคืออะไรก็วิจัยเวทนาในเวทนากายในกายองค์ประชุมนี้ก็นื่งมาเป็นเวทนาองค์ประชุมเดียวกันเนี่ยเรียกคนลสถานะที่เราเองเรามีปัญญาเข้าใจมันไปคนละ สถานะแต่มันยังไม่ได้ไปไหนเอกมันก็เป็นอันนั้นนหะตอนนี้เรายังไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงมันเลยนะมันปรุงแต่งเปน็นี้แล้วก็ไม่พอใจอนนี้จนกระทั่งเราตั้งศีลว่าเราจะไม่ให้มันสเสพสมเป็นเทวดาให้มันเห็นเป็นตัวผีเลยเป็นตัวดิ้นดนอยากทุกเออเจอหน้ามันจับตัวมันได้เรียกว่าพ้นส ก, กายะทิฏฐิจนพ้นวิจิกิจฉา เพราะคนเอามาแล้วก็มาปฏิบัติกายในกายมาปฏิบัติจนกระทั่งสักกายะเรารู้เสร็จแล้วเราก็ใช้การเรียนรู้มันปฏิบัติมันตามที่เราเรียนทฤษฎีมาว่าวิธีจะพิจารณาและไอตัวผีนี่จะกำจัดมันยังไงตอนนี้รู้แล้วมีศีลมีพลก็ปฏิบัติให้มันสําเร็จอย่าให้มันแค่เจอหน้ามันจับมันต้องมันสัมผัสมันแตะอยู่ต้องอยู่รูปอยู่คํำอยู่ แต่ไม่ทําให้มันลดละจ้างคลายหรือไม่ทําให้มันตายกํจาจัด ไ, ไม่ได้ถ้ากําจัดมันไม่ได้มันก็ไม่พ้นสิรปบัตตปรามาสมันก็ได้แต่เห็นแต่รู้มีมรรคแล้วนะเป็นโล ก, กุตตรามรรคไปแล้วเห็นเจตสิกจิตเจตสิกสัมผัสนามธรรมาแล้วนะแล้วก็ถูกต้องตามหลักธรรมเจ้าเข้าไปเช่นได้ปฏิบัติส ม, มปทานคุณไปสังวรระวัง สังวรประทานสัมผัสตามหูจมูกล่างกายสำรวจบินสี่หกมีสติสัปัญญาแล้วก็เตรียมตัวที่จะจัดการให้มันเป็นสุจริตกรรมให้มันจัดการก็มันตามโยนิโสมนสิการกําลังจะจัดการกิเลสกาลังจะจัดการตัวรู้กิเลสรู้กิเลสแล้วกาลังจะกําจัดก็ปฏิบัติการกําจัดวิคัมปนาปาร์หานหรือว่าวิปัสนาวิธีพิจารณาหเห็น เข้าใจแล้วว่ามันกิเลสนี่มันเออมันก็เกิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้เกิดไปแล้วมันก็ไม่เที่ยงแม่ไม่ให้มันเลยเนี่ยไม่ยอมให้มันเลยมันก็ต้องผ่านไปไม่เที่ยงแล้วมันก็ต้องหายไปต้องดับไปอีกเมื่อไรก็ไม่ให้มันมันก็ผ่านไปก็ไม่เห็นใครตายเพราะไม่ได้ให้มันเสพไม่เห็นตายก็มีแต่ผ่านไปผ่านไป เออไม่มตายดีไม่ดีนอกจากไม่ตายแล้วอื่นทดแทนได้หรือไม่ต้องมีอันนี้เลยไม่ได้เสื่อมอะไรเล ย, เลยไม่ได้เสื่อมอะไรเล ย, เลยจริงจริงกิเลสนี้เป็นเออาารือ่องอวัยําไปไม่ใช่ความจำเป็นเลยไม่ต้องมีเลยเป็นส่วนเฟอ้อส่วนเกินส่วนทำลายด้วยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าโอ้แล้วเราไปบ้าปรุงอยู่กับมันทำไม ญาณปัญญาเราจะเห็นจะชัดเจนขึ้นยิงนย่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นการปฏิบัติอย่างนี้แหละคือการปฏิบัติที่มีองค์ประชุมครบเรียกว่าสัมผัสวิโมก8ด้วยองค์ประชุมด้วยกายด้วยองค์ประชุมทั้งตาหูจมูกลิ้นกายมีวิจัยวิจัยมีอะไรอะไต่างๆสมบูรณ์แบบอยู่เลยหลัดๆเลยนี่เรียกว่าปฏิบัติสัมผัสวิโมก8ด้วยกาย มันจะขึ้นไปเป็นวิโมกข์ 8, แก็ต่อเมื่อมันเป็นฌานคุณรู้กิเลสคุณทำกิเลสให้ลดจนทำกิเลสหมดจุกกิเล ส, ด, เลสดับลงไปเป็นฌานสี่หรือบริบูรณ์ด้วยวิโมกข์สามฌานสี่ฌานสี่หลักนั่นก็คือทำให้มันเกิดอุเบกขาเมื่อเกิดอุเบกขาก็คือปฏิบัติตามวิโมกข์แปดสมข้อต้นรู้รูปรู้รนาม รูปภายนอกรูปภายในแล้วก็มีวิธีทําให้กิเลสมันลดกิเลสมันก็ลดลงไปลดลงไปลดลงไปจนกระทั่งเรามีกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันกับผู้รู้ทั้งหลายกับาศาสนาอื่นด้วยว่าเขาต้องการนิโรธเราก็มีสัญญาว่านิโรธคือกิเลสไม่ทํางาน แต่ในขณะที่กิเลสไม่ทำงานของาศาสนาหรือรัธิที่นอกพุทธเขาไม่ทำงานเขาหยุดนิ่งดับปีเป็นกินนะหะดำมืดอยู่แล้วเขาก็ถือว่าเขาได้ผลแล้วสิ่งที่น่าพึงใจเขาได้นิโรธแล้วสุะกินนหะสุภกินหกนหะเขาได้แล้ว กำหนดความหมายที่จะได้นิโรธตรงกันแต่นิโรธมันคนละตัวนิโรธมันคนละแบบเพราะมันมิชาทิฏฐิมันต่างกันอยู่ในนัยยะซับซ้อนน่ะนัยยะซับซ้อนนี่แหละมันอธิบายอาตมาที่บอกว่าอธิบายวิโมกข้อสามเนี่ยยากน่ะสุพันเตวะอธิบุตโตโหติเนี่ยยากตรงนี้ ยากตรงที่ว่าเมื่อ ก, กายอันนี้ต้องเรียนรู้กายทั้งนั้นเลยต้องรู้จักใช้สัญญากําหนดรู้จึงจะรู้จักความเป็นสัตว์นรกสัตว์เทวดาสัตว์พรมถ้าไม่ร้ององค์ประชุมความเป็นกายแห่งสัตว์โอปปปาติกะเหล่านี้สัตว์แห่งเทวดาเป็นยังไงสัตว์แห่งสัตว์นรกมันเป็นยังไงอาการยังไงอาการลิงคันนิมิตมันเป็นยังไง คุณต้องเรียนรู้มีสัญญากำหนดหมายรู้จริงๆเพราะฉะนั้นสัญญากำหนดรู้รู้อะไรรู้กายรู้องค์ประชุมของรูปเรียนนามทั้งข้างนอกทั้งข้างในตามมิโมกข้อที่สองเมื่อทำให้กิเลสมันลดได้ลงรัดๆอธิบายรัดลงไปอีกทีถ้าไม่กิเลสลดได้เป็นอุเบกขา พิจารณาไปตามหลักสารพัดเยอะแยะพิจารณาเวทนาในเวทนาร้อยเป็นรอยแรู้จากมนโนปวิจานมโนปวิจารณิบเคหะสิตตา 18, ita, เป็นแบบโลกีมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติทุกคนเป็นก็รู้หมดทวาร6สัมผัสแล้วมันสุขมันทุกข์มันไม่สุขไม่ทุกข์ก็รู้จนกระทรั่งเราปฏิบัติตามธรรมวุธเจ้าเป็นมนโนปวิจารสิปทั้งนมมะ ทำให้กิเลสมันลดเออมันเปลี่ยนแปลงไปมันจางคลายตัวกิเลสลดรู้กิเลสไม่มีอาการาการดับจนถึงขั้นดับก็เห็นจนมันดับแล้วกิเลสมันเฉยๆเป็นอุเบกขาเพราะลักษณะอุเบกขาเคหัสิตาอุเบกขาไม่ใช่นิโรธเป็นความวางเฉยเพราะฉะนั้นความบางเฉยของรัธิอื่นต่างกันกับของพุทธ ของพุดนั้นเขาวางเฉยอย่างหนึ่งอุเบกขาเป็นเนคมัสิตาอุเบกขาส่วนของโลกีนั้นเป็นเคหะสิตาอุเบกขานี่เป็นต้นแต่วางเฉยของโลกิยะนั้นไม่ได้ดับกิเลสต่างกันมากแต่มันเฉยได้เป็นธรรมชาติหรือเป็นการกดข่ม เป็นธรรมชาติก็มันเฉยพักยกไงบางครั้งมันก็เฉยนะมันก็ไม่พักไม่ดูดไม่อยากไม่ไม่ไม่อยากอะไรก็ไม่มีอยากก็ไม่ไม่อยากก็มีอยู่ั้กลางเป็นยกบางครั้งบางคราวพักยกอรตมาเรียกว่ามันอุเบกขาพักยกคุณทําให้มันพักมันก็พักยกแต่ของศาสนาพุทธนั้นมันพักเพราะมันดับเหตุมันไม่ใช่พักยก ตับเหมันลดลงไปลดลงไปจนกระทั่งได้ถาวรเมือ่อใดมันไม่ต้องพักยกลงมันพักเลยพักถาวรตายสนิทหายไปเลยไม่เกิดอีกเลยมันจึงเป็นความวางเฉยที่ต่างกันวางเฉยอันนี้แหละเพราะกิเลสนิโรกกิเลสดับส่วนของโลกีนั้นพักยกไม่ได้ทําอะไรกับกิเลสให้มันดับมันวัง ม, มันไปเลย มันยิ่งไปทำดับเพี้ยนไว้เป็นดับไม่ให้รับรู้เป็นนิโรดดับมันก็เลยไปกันใหญ่เลยเลอะเทอะใหญ่เลยแต่ความหมายว่าคุณวางเฉยเหมือนอุเบกขาเหมือนกันวางั้นนะเป็นฌานที่สี่วะงั้นนะเหมือนกันเออเหมือนกันสัญญาอย่างเดียวกันได้เฉยวางเหมือนกันแต่นั้นมันวางอย่างผักยกเฉยๆแต่มาตการว่างเหมือนกันะกลางๆเมื่อไงนะ มันกายของความว่างว่างเหมือนกันแต่ว่างคุณเป็นว่างอย่างดำมืดเป็นสุปกินนะฮะแต่ว่างของพระเจ้านั้นว่างมีแสงสว่างมีจักรสุมีญาณมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างมันคนละเรื่องกันนี่เป็นนัยะละเอียดสำคัญที่ลึกซึ้งซับซ้อนมีบางอย่างเหมือนกันมีบางอย่างนัยสำคัญที่ต่างกัน ผู้ที่ปฏิบัติพุธนั้นจะรู้จักสิ่งที่ฤๅษีเขาปฏิบัติเจ้าอื่นเขาปฏิบัติจะรู้แต่แบบพุธเขาไม่รู้เดาไม่ได้ถ้าไม่เกิดจริงเป็นจริงไม่รู้ใช้ตรร ก, กะได้เข้าใจได้แต่ไม่ถึงขั้นรู้แจ้ง รู้เดาๆเป็นต ก, กะมันไม่เป็นปัจจตังเวทิตโภวิญญูหนะิมีเองแล้วมันจะรู้ปัจจตังเวทิตโภวิญญูหิเพราะฉะนั้นองค์ประชุมของอุบเบกขาก็ตามองค์ประชุมของขั้นเรียกว่านิโรธก็ตามยังมีองค์ประชุมอยู่เัีไกว่ามีกายของพระเจ้ายังมีกาย มีกายต่างกันกับความองประชุมของฤษีเขาเรียกนิโรธของเขาไม่มีกายไม่มีจิตจิตคือท่ารู้ก็หายไปกายก็หายไปหมดความรับรู้หมดความรู้สึกไม่รู้อะไรเลยไม่มีกายไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีอะไรเลยตอนนั้นว่างๆดับๆมีแต่ความดำความมืดเรียกว่ามีแต่กินะฮะนั่นของฤษีแต่ของพระเจ้านั้น มีองค์ประชุมมีกายมีความว่างมีนิโรธด้วยนิโรธคือกิเลสมันดับรู้ว่ากิเลสคืออะไรกิเลสหายไปกิเลสถูกขจัดไปไม่เกิดอีกยิ่งไม่เกิดอีกก็ยิ่งเห็นอยู่นั่นนะ่ะมีองค์ประกอบของเหตุปัจจัยมีองค์ประกอบของเหตุปัจจัยจึงมีกายอยู่นะ มันมีอยู่เพราะฉะนั้นไม่ได้ดับกายยิ่งจิตยิ่งไม่ดับใหญ่เลยจิตจึงเห็นแจ้งเห็นจริงเป็นจานเป็นปัญญาเป็นวิชาเห็นอย่างชัดชัดสว่างสว่างมีแสงสว่างมีอาโลกาชัดชัดเลยมีดวงตาสัมผัสอยู่แต่ไม่ใช่ดวงตาลูกตาเนื้อแล้ว เป็นธรรมจักรสุแล้วมีจักสุมีญาณมีปัญญามีวิชามีแสงสว่างเอาคาสอนุเจา้าทุกคำมาตรวจมาสอบมาอะไรนี่มันตรงหมดทุกอย่างเลยใครฟังแล้วจะเข้าใจจะเห็นว่าตรงกเอาฟังไปใครเห็นแล้วว่าไม่ตรงต้องตามเขาที่เขาเชื่อนะไม่เป็นปัญหากลัวใครตัวมันใครจะเห็นอย่างไรก็เลือกเอาไม่ได้บังคับใคราอิสระเสรีภาพเลือกเอา สรุปแล้วกายของพระพุทธเจ้าที่ให้ปฏิบัตินีมีตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งนิโรธก็ยังมีกายในขณะปฏิบัติก็กายในกายไปจนกระทั่งถึงกายที่อยู่กับสัพพวิโมกไปตลอดเวลาตั้งแต่วิโมก 1, 2, 3จนวิโมก 4, 5, 6, ห้าเเรียกว่าสัญญาเวทีจิตในนิโรธวิโมก 4, 5, 6, ห้าเจ็ด นาห้าหเจอีก4นี่ก็เป็นอรูปฌานเมื่อได้อุเบกขาแล้วก็ตรวจแปลว่ามันว่างยังไงหนึ่งว่างตรวจอาการว่างนะเฉพาะอันนั้นสภาวะของว่างมันคื อ, อย่างไรคุณก็ตรวจว่างสองวิญญาณ a ั j a y ตรวจกิญญาณตรวดทาดร้ทธารู้ที่สะอาด ธาตุรู้ที่ไม่มีกิเลสมาร่วมทำงานอยู่แล้วมันเป็นธาตุรู้ที่รู้อยู่ยังไงรู้อย่างหูตาก็รู้หูก็รู้จมูกดิ้นกายรู้อยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันว่างอยู่ตลอดเวลาด้วยโอ้อาการว่างลักษณะว่างมันก็ว่างลักษณะของวิญญาณมันก็สะอาดบริสุทธิ์ลักษณะที่เอาอีกตัวอีกตัวอีกอกินจัญญาที่จะไม่ให้มีนะคือกิเลส เหลือเศษเรือส่วนเรือทุลีเหลือละอองเรืออย่างใหญ่อย่างยักษ์อย่างกลางอย่างขนาดเล็กขนาดน้อยขนาดทุลีละอองขนาดบรรจุซองขนาดละอองทุลีขนาดไหนก็ต้องตรวจว่ามันไม่มีแล้วนะไม่มีฟ้าไม่มีไฟไม่มีมืวไม่มีหมองไม่มีอะไรไม่มีอกินจันยายตัคือสิ่งที่จะไม่ให้มีไม่มีตรวจความไม่มีทตนี้หนึ่งว่างสองจิตวิญญาณธาตุรู้สามว่าง เนวสัญญานาสัญญาใช้สัญญานั่นแหละตรวจว่าอะไรยังไม่รู้ไม่ได้ต้องให้รู้ให้หมดเนวสัญญานาสัญญาการกำหนดต่างๆนา น, นานทั้งหมดเลยกาหนดเลยในขณะที่มีอายตนะในขณะที่มีผัสสะในขณะที่มีของจริงตรวจสอบนี่แหละตรวจ จนกระทั่งแน่ใจแม้ครั้งนี้แม้ครั้งต่อไปแม้ครั้งต่อไปแอนตต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปอาเสวนาภาวนาพระหุลีกัมมังกิเล ต, ตัวนี้หรือไอ้พระไอ้ตัวที่หลุดพ้นอันนี้สภาพนิโรธสภาพนิพพานสภาพจิตว่างสภาพจิตไม่มีกิเลสอันนี้ ก็ได้อย่างนี้ตัทธตาเป็นเช่นนี้เช่นนี้จะไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรมันอีกแล้วทำผัดปั๊บมันก็เป็นอย่างงี้สับปล้วเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้เองเองเองเองไม่ต้องไปทําอะไรมันมันเป็นอย่างแข็งแรงมันคงถาวรจนกระทั่งไม่มีอดีตไม่มีอนาคตเพราะอดีตอนาคตมันมันก็คือกิเลมันไม่มีแล้วทุกปัจจุบันมันบอกหมดเลยทุกปัจจุบันกระทบสัมผัสมันก็ จะเป็นอดีตก็อันนี้จะเป็นนาคาคนนี้เพราะปัททุปัจจุบันเนี่ยมันมันเด็ดขาดมันสมบูรณ์แบบแล้ว น, นี่คือลักษณะของธรรมะพระพุทธเจ้าอัตมาคงจะต้องพูดไอ้เรื่องอธิบายลักษณะนี้อยู่อีก อ, อีกลานลานลา น, ลา น, ล, านลานครั้งมั้งต้องอธิบายอยู่อย่างนี้ ร่าสรุปแล้วคำวากายจึงเป็นตัวชี้บ่งถึงสภาวธรรมที่คุณจะต้องเรียนรู้อย่างดีแล้วมาใช้ปฏิบัติทั้งในภาคกำลังปฏิบัติจนปฏิบัติเสร็จยังมีกายอยู่ตลอดเวลาเลยให้เรารู้ ถ้าไม่มีสัมผัสเมื่อใดกายก็ไม่มีองค์ประชุมนั้นก็ไม่มีเมื่อมีสัมผัสก็ต่างคนต่างอยู่รูปก็อยู่ของรูปนามก็อยู่ของนามไปกายก็ไม่มีไม่เกิดองค์ประชุมอะไรขึ้นมาถ้ารูปของรูปมันไปประชุมกันเป็นฝักข้าวมันก็ไม่เกี่ยวกับคน ท่านนามมาทำของตัวเราอยู่ที่เราเราไม่ได้ไปสัมผัสอะไรเลยไม่คิดอะไรไม่มีอะไรเฉยอยู่มันก็ไม่มีอะไรเกิดกายขึ้นมาอายตนะไม่เกิดผัสสะไม่เกิดกายไม่เกิดไม่มีกายไม่ตั้งอยู่ในใจผัสสะไม่ตั้งอยู่ในใจอายตนะไม่ตั้งอยู่ในใจเพราะเหตุปัจจัยมันไม่ได้ไปทำงานให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้น เพราะฉะนั้นเจตนาที่นี่มาใกล้ละเอียดตัวนามธรรมเวทนาเราจะต้องรู้องค์ประชุมของเวทนาว่าอารมณ์การที่จะต้องใช้เป็นการศึกษาเวทนาในเวทนาเมื่อกายในกายต่อเนื่องมาเป็นเวทนาในเวทนาเวทนาในเวทนามันก็คือจิตคือเจตสิกปรุงกันอยู่เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกรวมจะสุขจะทุกข์ยังไงเราก็เรียนรู้ตัวนี้ ลงไปในเวทนาเวทนาในเวทนาอีกทีนี้มีตัวอะไรร่วมอยู่ปรุงแต่งอยู่ในองค์ประชุมนี้จับตัวการได้ก็ไปเจอจิตตัวการเรียกว่าสาราคะหรือสโทสะหรือสะโมหะคือจิตคือเจตสิกคือเจโตปริยานิบหแล้วก็กำจัดตัวนั้นเป็นสมุิไทยเมื่อกำจัดได้จิตของคุณก็ส่งไว้ซึ่งกุศลธรรม ทรงไว้ซึ่งความถูกต้องดีงามแล้วเพราะได้กำจัดได้ชาระกิเลสหมดแล้วเรียกว่าปุญญะเป็นอันปุญญาอปุญญาพิสังขารแล้วชาระกิเลสแล้วไม่ต้องชาระอีกแล้วบุญก็หมดไปบาปก็หมดไปบาปคือกิเลสกิเลสคือบาปไม่มีกิเลสไม่มีบาปนั้นแล้วบาปตัวนั้นทาลายมันเกลี้ยงแล้วกิเลสนั้น หมดไปแล้วมันไม่มีในจิตเราและมันก็ไม่เกิดในจิตเราอีกจะสัมผัสแต่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรอีกมันก็ไม่เกิดอีกบาปก็ไม่มีกิเลสก็ในดวงเดียวกันกิเลสกับบาอันเดียวกันมันก็ไม่มีเมื่อไรมันก็ไม่มีอีกไม่มีบาไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่ต้องไปบุญไม่ต้องไปกําจัดอีกกาจัดหมดแล้วไม่มีให้กําจัดแล้วอย่าไปบุญบาปนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ทีปุญญปาปะปริกีโนเป็นผู้ที่ สิ้นแล้วซึ่งบาปบุญสิ้นบาปสิ้นบุญสิ้นบุ ญ, ส, บญสิ้นบาปหมดบาปหมดบุญผู้หมดบาปหมดบุญแล้วเพราะฉะนั้นคนสิ้นบุญสิ้นบาปนี่แหละคืออมตะบุคคลบุคคลที่กาจัดกิเลสหมดแล้วนี่มนโนสัญเจตนาก็ยังมีอยู่แต่ไม่มีภพไม่มีชาตเป็นวิภวตัญหา เป็นเจตนามุ่งหมายต้องการอยากก็ได้ต้องการก็ได้อยากก็ได้ประสงค์ก็ได้เจตนามุ่งหมายเจตนาเนี่ยมุ่งหมายจิตมันปรารถนามันมุ่งหมายมันมีที่หมายมันมีที่คิดมันมีที่หวังมันมีเรื่องราวจะเป็นอย่างนี้จะใช้อย่างี้จะทอย่างนี้แต่ไม่มีกิเลสเข้าไปร่วมมุ่งประกอบไปด้วยไม่มีเรียกว่าอสังขารที่กังอสังขารก็ไม่มีกิเลสไม่มีตัว เข้าไปร่วมนําพาทำอะไรมันมีแต่เจตนาดีมันมีแต่กุศลและเจตนาบริสุทธิ์เพียวๆไม่ได้มีกิเลสไม่ได้มีตัวตนอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นเรื่องของงานตรงๆเพื่องานนั้นเพื่อผู้นั้นเพื่อกิจนั่นเพื่ออันนั้นไม่ได้มีแม้แต่เพื่อตนเอง จะเพื่อตอนเองก็ไม่ได้เสพอารมณ์อะไรเช่นว่าอ้าวต้องการได้เสื้อได้ผ้ามาใส่มารุ้งมาห่มกันตอนกันหนาวก็ไม่ได้ไปเสพอดิษอร่อยสวยงามไม่ได้มีไอเรื่องโลกโลกที่เขานิยมกันไม่มีเสื้อผ้าหน้าแพะก็ใส่เพื่อกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดตายอันพอเหมาะพอควรจบอาหารก็มากินเอาธาตุที่พักอาศัยก็อยู่ไปหลบแดดหลบฝนหลบอะไรที่ควรหลบไปบ้างก็เท่านั้นเอง ไม่ได้มีอะไรมากไปเละเอะเทอะปนเปอะไรไปเลยไม่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องฟุงฟ้งเฟ้อฟุ้งซ่านอะไรเลยนะจะเป็นปัจจัยทั้งสี่ก็ต่างๆแม่แต่บริขารนรื่องเครื่องใช้มีแว่นตาเป็นบริขารก็ไม่ได้เอามาส่องแม้จะต้องส่องดูอะไรที่เราจะอยากได้หาอะไรไม่ใช่หรือว่าส่องพเพื่อที่จะส่องดูเสพนั่นเสพนี่ไม่ใช่ เพื่อดูให้ชัดตอนนั้นเองแม้แต่จะมีเครื่องมือคอมพิวตองคอมพิวเตอร์มาใช้ก็ไม่ดี ไ, ไว้สําหรับมาเสพ อ, อารมณ์เสพหรือมาไปหาไรายได้จากอันนี้เอามาทํางานเป็นเครื่องมือประกอบช่วยทํางานเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นพระหชนะหตายาพระชนะสุขา ย, ยาโลกาณุ ก, กัมปา ย, ยาไปโนนมีแต่เจตนาอันบริสุทธิ์เจตนาไม่มีพพไม่มีชาติจึงเรียก ว, วิภวะไม่มีพพไม่มีกิเลสเกิดชาติไม่มีเกิดมาชาติ แต่มันมีการเกิดไหมเกิดมันเกิดอย่างอภินิพัติมันเกิดเกิดเพราะเราให้มันเกิดอภินิพัติเป็นการเกิดที่เยี่ยมยอดเป็นการเกิดของเจตนาบริสุทธิ์เป็นการเกิดของประโยชน์คุณค่าของโลกไม่ได้มีกิเลสเข้ามาเจือปนไม่มีเข้าไปบำเริกกิเลสบำรุงกิเลสอะไรเลยเพราะฉะนั้น ถ้าไม่รู้ละเอียดดังกล่าวนี้เราก็เช็คละเอียดไม่ได้ดังนั้นการในการปฏิบัตินำ5้านี้จึงมีครบมณสิการคือการจัดการทำการทำงานของมันให้เป็นโยนิโสให้มันท่องแท้ไปลงไปถึงที่เกิดแล้วก็กำจัดกิเลสจนกระทั่งหมดในที่นั้นในแดนเกิดตรงนั้นสัมภาวะตรงนั้นหรือปัพภาวะตรงนั้นตรงที่จิตนั่นแหละที่จิตนี่คือมณสิ แปลว่าทีจิตการก็คืองานการจัดการการทําการทํางานของมันทําที่นั่นแหละที่ต้องจิตนั้นจนกระทั่งกิเลมันดับไปและก็มีพัรษะเป็นตัวประกอบโยที่จะให้เกิดนามนี้ถ้าไม่มีภัรษะไม่มีนามนี้และจนกระทั่งทําให้เจตนาเป็นวิภาวะตัณหาเป็นมโนสเจตนาตัวบริบูรณ์บริสุทธิ์ตัวนี้ให้ได้นี่คือสภาพของที่อาตมาพยายามขยายความให้มันละเอียดตรงที่นามธรรมาห ย้อนไปถึงอายตนะหกเมื่อกิเลสในการทํางานมณสิ ก, การการจัดการในมณสิ ก, กาลโยนิโสเรียบร้อยกําจัดกิเลสได้เรียบร้อยแล้วบริสุทธิ์เป็นวิภาวะตัณหาเรียบร้อยแล้วสัญญาเวทนาก็สะอาดเป็นสัญญาขันเป็นเวทนาขันที่สะอาดสังขารก็สะอาดเพราะ เราจะให้ปรุงแต่งมาโดยอนุโลมโดยอนุโลมปฏิโลมของเรามีสัจจานุโลมมิจยานแล้วเราก็ทางานทาการอยู่กับโรกเขาก็สังคมเ็าโดยอนุโลมปฏิโลมอยู่จะยืดหยุ่ในเขาขนาดนี้ของคนอื่นเขามีกิเลสก็มีเขาขนาดนี้ยืดอยู่ในเขาขนาดนั้นขนาดนี้ส่วนเรานั้นไม่ได้เป็นกับเขาหรอกแต่เราก็ร่วมกับเขาร่วมทางานกับเขา แต่เราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเป็นแต่เราอยู่กับสังคมเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่เดาไม่ได้อ่านจิตอ่านใจเขาไม่ได้หรอกใครเขาเป็นยังไงเขาจะอนุโลมเหมือนกับเขามีกิเลสมาร่วมกับเราทำงานกับเรามีกิเลสนี่แบบนี้เนี่ยเออออกมาเล่นการเมืองมายุ่งกับการเมืองมาอยังมันจะอะไรอะไรเขาก็ว่าไปตามภาษาเขาเดาไป ล้วก็บอกเราไม่ได้ทำเพื่อเราเรามาทำเพื่อส่วนรวมเรามาเสียสละด้วยซ้ำไปเราไม่ได้ทำเพื่อลาบยอดฉันเชิญกีจะสุกอะไรนะล้วก็ทำเพื่อมันเกิดคุณค่าประโยชน์อันนี้มันไม่ใช่ปากพูดไม่ใช่เรื่องพูดโก้ไม่ใช่เรื่องต ก, กะแต่เป็นเรื่องที่เป็นจริงที่สมบูรณ์จริงมันก็เป็นได้อย่างที่ว่านี่นะ เมื่อทำสำเร็จที่นามมารูปแล้วไล่ขึ้นมาถึงสารยตนาหกมันก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สะอาดบริบูรณ์มีอยู่ผัสสะหกก็มีอยู่เวทนาหกอธิบายผ่านไปแล้วเมื่อกี้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสมีเวทนาอยู่ก็เป็นเวทนาสะอาดเป็นอุเบกขาฐานฐานนิพพาน อุเบกขาเน่ฆมสิตาอุเบกขาแข็งแรงท้าวรอนด้วยอยู่ที่ฐานนั่นะอาศัยฐานนั่นแหละเพราะนั้นพระอาหารหันต์มีอะไรมีเวทนานี้แหละมีอุเบกขาเวทนาเป็นตัวอาศัยตลอดเวลาแม้ที่สุดจะตายก็ตายด้วยเวทนาตัวนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าจะปริิพานก็มาปฏิ ป, ปริิพานตัวฌานที่สี่มีอุเบกขานี้ ได้บอกว่าท่านอนุพัทอนุรุตตรวจสอบว่าพระพุทธเจ้าจะไนี้รณจิตจไปไงก็ตามจิตไปก็ทําไปตรวจสอบตรวจสอบบัญญัติบัญญัติเท่านั้นนะนะตรวจสอบลักษณะว่าเอออากาศซาวิญญาณจารอะไรไปจนกระทันหนวัชยมรรยและถากากลับมาสู่อุเบกขาตัวที่สี่ของฌานและกับปฏิปันธ์ตรงนั้นมันเดาไม่ได้หรอกนะว่าทําไมท่านทําอย่างนั้นแต่ที่อาตมาอธิบายได้เพราะ อาตมารู้ว่าฐานนิพพานฐานสุดท้ายสุดที่สุดมันอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่อุเบกขานี่ะแต่ก็มาดับที่อุเบกขานะเพราะเวทนาก็ดีตนาก็ดีอุปาทานทีนี้ตนาก็ตนาหกที่เกิดจากตาหูจมูกร่นงกายใจเกิดแล้วทำให้ตนะหามตนาภาวะตนามันสิ้นไป เหลือแต่วิภวะตัณหาเท่านั้นนะเมื่อตัณหามันสาวรตัณหาอยู่อย่างนั้นได้แล้วก็เท่ากับอุปทานมันก็หมดไปไอ้ยึดมั่นถือมั่นในกามยึดถือมั่นเถอะมั่นในทิฏฐิอยู่มั่นในสารสีพลดอัตวาทุปาทานอะไรมันไม่มีแล้วอุปทานหมดท้ายไปเลยเพราะเมื่ออุปทานหมดหายไปพพก็หมดไปชาติก็หมดไป ชรามารณะก็หมดไปชรามารณะของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นนะกิเลสนะความทุกข์นะความทุกข์หรือความสุขเท็จสุขคัลิกะมันก็ไม่เกิดอีกมันก็ไม่มีมาโผรอีกมันดับไปชารามารณะอันนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายยังอยู่เลยชีวิตยังมีอยู่เลยชีวิตของประธานที่ ดบกิเลสแล้วชีวิตก็ยังอยู่ยังชาติยังเกิดอยู่ดีไม่ดีตายชาตินี้ร่างกายนี้ชาติหน้าเกิดดีก็ยังอยู่ได้อันนี้แหละเทระาวาัตก็มึนตึบเพราะอาตมามาพูดเข้าจะเอาอาตมาตายอะไรว่าอารหันไหยังเกิดได้อีกก็จะเอาอาตมาตายก็ไม่เป็นไรแต่อาตมาพอดีหนังเหนียวเลยยังไม่ตาย ชรามราณะดับโดยเฉพาะโสกปริเทวทุกขโทมณนุปายาตหายไปไหนมันล้นหมดเลยหายไปใยเลยไม่เจอหน้ากันเลยเห็นแต่อยู่แต่คนอื่นเห็นอยู่แต่กับคนอื่นอยู่กับตัวเราเอ๊ะทำไมมันหายหน้าไปจากใจเราหมดโสกปริเทวทุกขโทมานุปายาตอาการมันเป็นยังไงโสกเป็นยังไง ปฏิเทว่าเป็นอาการไงทุกขะขเป็นยังไงโทมนัสเป็นยังไงอุปายาศาสตร์เป็นยังไงคุณต้องรู้อาการสภาวะก่อนเออมันไม่มีเมื่อนั่นก็ไม่มีเมื่อนี้ก็มีถูกกระทบสัมผัสอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างโน้นก็เป็นบททดสอบตลอดเวลาเออมันก็ไม่มีกระทบทดสอบด้วยวัตถุทดสอบด้วยมนุษย์ทดสอบด้วยสัตว์ทดสอบด้วยอากาศทุกอย่างทดสอบด้วยอะไรสัมผัสอย่างนั้นอย่างนี้แล้วนี่มันก็ไม่โศกปฏิเทวะมันก็ไม่โศกะ ไม่ทมานัดไม่อุปายาสะอะไรไม่ทมานัดอะไรไม่มันก็ใหม่อาการปกีิว่านั้นคุณก็ต้องรู้อาการมันอย่างจริงคุณต้องรู้จากอาการเหล่านั้นอาการเหล่านั้นต้องถูกรู้โดยญาณของคุณอาการเหล่านั้นเป็นนามธรรมที่ละเอียดคุณจะต้องรู้ไปจนกระทั่งถึงแม่ที่สุดในลักษณะของภาวะรูปสองก็เห็นมันเป็นปุริศภาวะ เห็นมันเป็นอาการเป็นเอกนิ่งอยู่เป็นเอก ก, กตาไม่เปลี่ยนไม่แปลงถ้ายังเปลี่ยนอยู่ยังเป็นอิทธิภาวะหัตถายรูปก็คุณตรวจสอบเมื่อไร่จับจิตเมื่อไหรมันก็หัตถนี่เป็นอย่างนั้นชีวิตตินทรียอาการชีวิตมีชีวิตของอาการชรามรณะก็ดีชาติก็ดีของกิเลสนั่นหรืออาการปริเทวะโสกทมณัตอุปายามันไม่มีแล้วมันไม่มีชีวิตแล้ว มันมีแต่ชีวิตของพระพรหมชีวิตของจิตบริสุทธิ์สะอาดมันไม่มีชีวิตเหล่านั้นแนละชีวิตตินซีอาหารอาศัยอาศัยอาหารสีอาหารอาศายอ อ, อ, อราริกะอัตตาหรือกวริงกะลาหานคุณอาศัยสิ่งเหล่านี้คุณก็ไม่ได้มีกิเลสเกิดเครื่องอาศัยที่เป็นอาหาร อาศัยผัสสะต่างๆกิเลสก็ไม่เกิดผัสสะหกก็สะอาดบริสุทธิ์อยู่ตลอดผัสสะต่างๆที่เกิดอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรในผัสสะนี้มันเกิดเวทนาในปิในปุตตะมังสะสุท ในปุตตะมังสัตสูในอาหารสี่เนี่ยอาหารเครื่องอาศัยนี่เป็นอาหารในรูปรูปที่เครื่องอาศัยคุณก็อ่านไอ้เครื่องอาศัยของคุณในตลอดเวลามีกระทบสัมผัสแล้วคุณก็อ่านอ่านในขณะมีกวเลงกราหารมันก็ไม่มีกิเลสอ่านในขณะผัสสะคุณผัสสะแล้วมันก็ไม่มีเวทนา ที่เป็นเวทนามันเกิดกิเลสอย่างนั้นเกิดเคหสิตะไม่มีเลยอุเบกขามันมีไหมมีเป็นอุเบกขาแบบไหนแบบเคหสิตะหรือเป็นแบบเนขมะและมันจะมีโทมมนัตได้ไหมไม่ได้มีโสมมนัตได้ไหมได้มีโสมมนัตทางโลกุตระได้ ทำจิตให้อภิประโมทยังจิตตังอยู่ได้เบิร์บานร่าเริมจาใสไม่ได้แห่งโหอยอะไรแล้าทาเพื่ออาศัยคุณรู้แล้วว่าติดยึดคืออะไรแม่นิดแม่น้อยติดยึดคุณก็ต้องได้สอบทดสอบมาหมดแล้วนในปฏิบัติเวทนาร้8ยแดมานานแล้วมันทุกขนาดทุกปัจจุบันปฏิบัติมาจนกระทั่งส่วนอดีตส่วนอนาคตมันศูนย์จนกระทั่ง มันคงแน่นอนแล้วแต่คุณจะอนุโลมอาศัยเบิกบา น, นาร่าเริงไปกับโลกเขาคุณจะมีการสดใสแจ่มใสก็ในเมื่อคุณเองคุณจะต้องมีลักษณะเบิกบานแจ่มใสกับเขาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณผ่านอาหารตรูปแล้วคุณมาถึงปริเฉทรูปคุณสามารถที่จะอ่านสภาพนี้ทําให้เกิดอาการซาให้เกิด อาโลกาให้เกิดการว่างจิตจะเป็นอากาศสธาติได้แล้วในปริเชตรูปเนี่ยถึงขั้นเป็นอากาศสธาติจิตมันว่างเนี่ยได้แล้วคุณอนุโล ม, เ, มเขาคุณก็อนุโลมไม่ต้องไปอารมณ์ไปในทางที่ไม่ควรอาศัยในทางหมุนมองเศร้าสอยนั้นทางการโศกกระปริเทวะทุกข์ก็ไม่มีมีแต่เบิกบานราดเริมเป็นอภิปโมทยังจิตตังคุณก็ทําจิตอภิปโมทยังจิตตัง ในอาณาปานาสติสูตรท่านก็ไฟฝึกฝึกอาศัยศัแต่ว่าอาศัยเพราะฉะนั้นคุณก็จะอ่านรู้อาการของมันด้ว่าถูกรู้ในรูปเป็นรูปนรในจิตของคุณในจิตของคุณผ่านรูปตัวนี้ผ่านรูปตัวอาห า, า, า, า, าปรปฏิเชต ร, รูปแล้วผ่านอาหารรูปมามาถึงวิญญาตวิญญาตมาถึงวิค เรียกว่าอะไรรูปสองวิญญตัตเนี่ยเรียกวิญญตัตรูปกายวิญญตัตเนี่ยกายวิญญตัตปจีวิญญตัตคุณก็รู้อาการเคลื่อนไหวของออกมาเป็นกายเป็นองค์ประชุมทั้งข้างนอกข้างในเป็นดีลา น, นัจจคีตวาธิตออกมาคุณก็รู้แล้วว่าอาการเหล่านี้คุณจะปรุงปรุงให้เร็วอย่างอาตมาออกท่าทางเนี่ยมีแตั้งแรงเสียงก็ทำดุทำดันเสียงอย่างง้นอย่างนี้ ดีม่ทีก็ทำเป็นพริวพร้วๆปลายๆเป็นหวานหวานเป็นเพราะๆอะไรก็แล้วแต่จะปรุงก็อาศัยการปรุงการอะไรพวกนี้ไปด้วยบ้างทุกก็รู้จักกายวิญญัตริรู้จักวจีวิญญัติปรุงให้เป็นวจีไม่ต้องเอาท่าทางไม่ต้องเอาองค์ประกอบของงัตจะมีแต่ขีตาวาทิตต์มันก็คือวิวจีวิญญาต เป็นว จ, จีกรรมออกไปยังไงคุณก็รู้จากอาการที่อันโรยปฏิโลมเป็นกับโลกอาศัยอาหารและรูปคุณก็ต้องรู้ว่ารูปขนาดนี้คุณใช้คุณกําหนดมันหมดคุณมีสับริสธรรมเจ็ดมีมหาประเทศสี่ใช่พ่อหมอปกครองสถานที่นี้บุตรคนอย่างนี้กาละอย่างนี้ตอนนี้มันควรจะทําขนาดนี้ก็ทําอย่างนี้ทําได้อย่างไวอย่างเร็วทุกอย่าง กำหนดรูลักษณะที่คุณต้องการให้มันเป็นวิการรูปอย่างไรวิญญาตรูปเนื้อกายวิญญาตก็ดีวัจจีวิญญาตกด็ดีอยู่ในวิการรูปหมดเป็นวิการรูปห้าเพราะฉะนั้นการกำหนดกายกรรมวจัจจีกรรมมโนกรรมกำหนดกายวัจจีอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณควบคุมมันให้ละหุวิกาลให้มุตุละหุตามุทุตา กัรมยตาการกระทำอันเหมาะควรแล้วกรมมยตตาอันเหมาะสมแล้วอันได้สัดส่วนที่พอดีแล้วมีมัตตัญญุตากรมมยุญญตานี่กรรมยตานี่คือมัตตัญญาได้ประมาณอย่างดีแล้วโดยคุณต้องหมายไปในทางจิตของคุณจะต้องมีละหุจิตของคุณจะต้องมีมุทุจิตของคุณจะต้องเป็นจิตที่เบา ไม่มีหนักแต่คุณจะปรุงหนักนั้นเจตนาของคุณไม่ใช่บำเลอใจของเราต้องหนักอย่างนี้ต้องแรงอย่างนี้ถ่า ย, ยางงี้ไม่ถึงใจไม่ใช่คุณจะปรุงแต่จิตของคุณมีละหุเป็นอาศัยมีมุดทุมุด ท, ทุก็จิตไว้แคล่วคล่องทั้งด้านปัญญาทั้งด้านเจโตัดัดก็ได้ปรับให้เป็นงี้บวไเปลี่ยนแปลง่างีว้วบวบวัเลยไม่ขัดไม่คล่องเลยจิตของคุณ ทำได้ดังใจเลยแต่ว่าไม่ดัดไปในทางชั่วเลยมีแต่ทางดีมีมุทุภูตตาท่ามีพุทธุตามีละหุตาวิการรูปการะแปลว่างานวิแปลว่าวิเศษไอ้ที่มันไม่มีมันไม่มีแล้วไอ้สิ่งที่เราจะเอาออกเอาออกไปหมดแล้ววินี่ไม่ไม่เด็ดขาดแล้วไม่มีแล้ววิมุติไปหมดแล้ววินาทไปหมดแล้วมีแต่ วิเศษมีแต่วิเศษวิสิทธ์มีแต่จิตยอดยอดจิตดีๆวิการะทำงานอยู่ในจิตวิเศษวิการะเพราะมีการควบคุมทำละหุทะตาทำาาามุทุตาทำกรรมมัญญตาได้กำหนดได้ สาิบแล้วเมื่อกี้เริ่มทุ่มสิบนาทท่านแปลอ่าววิการะรูปสิยังไม่ลักษาหนเอาไว้วันหลังก็ได้ล้วักษาหรูปวิการะรูปรัหุตาท่านแปลว่าความเบาบางจิตของคุณจะรหุเบาแต่คุณจะปรุงให้มันหนักให้มันแรงให้มันอะไรคุณกําหนดอยู่ได้ สองนม้มุทุตาท่านแปลว่าความอ่อนวัยดีมากเลยอ่อนวัยอาจะมาแปลว่าจิตหัวอ่อนมันไวัยืดยน่นได้เร็วไวัจิตหัวอ่อนอ๋อจำแปลว่าจิตหัวอ่อนด้วยเหรอโอ้หะอ้ะอาวแล้วคุณเอามาใส่ไปในของท่านรวมไว่ในนี้นึกว่าท่านแปลอ่อนวัยนี่ของข้านึกว่า เพราะมันมีภาษาอังกฤษด้วยผมไม่บังอาจไปใส่อย่างนี้หรยออ่ามันมีอิลาสติกมามันมีอิลาสติกติกซิตี้อิลาสอิลาสติกเนี่ยมันยืดหยุ่นเนี่ยอิลาสอิลาสติอิลาสติกซิตี้อิลาสติกอิลาสติกซิตี้เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นในวายมากจะยืดตรงนี้จะย้อนไดเข้าออกได้เร็วนะ และกรรมัญญาตาเนี่ยนะเป็นจิตที่จัดประมาณจัดการทํางานการอนุโลมปฏิโลมได้อย่างได้สัสดส่วนกับเข้าเลยถึงเรื่องการทำงานการอย่างพอเหมาะพอควรทําการงานได้อย่างดีเพราะมีปัญญามีเจโตเป็นตัวมโนปุพังเป็นตัวจิตที่มันจัดการได้เพราะนั้นเราจะกําหนดวิการรูปให้มีกายวิญยัตอย่างไรให้มีวจีวิญยัตอย่างไร ออกท่าทางนจกักขีตาวาจิตาขนาดไหนหรือเอาแต่ซุ่มเสียงสำเนียงภาษาอย่างไรแข็งเบาไงกำหนดวิญญาตกายวิญญาตวจีได้ในวิกาล ร, รูปทำการงานด้วยจิตวิเศษวิการคุณก็รู้ต้องรู้ว่าคุณกำหนดอย่างนี้คุณเป็นผู้กำหนดคุณไม่พผูก้กระทำ น, ะนี่คือรายละเอียดของสิ่ง ถ้าคุณไม่รู้แล้วว่าอาการอย่างนี้ถูกรู้โดยคุณแล้วคุณก็กาหนดให้เป็นอย่างนี้ได้คุณก็ไม่มีโลคกุตระจิตแต่คุณมีโลคกุตรจิตคุณกําหนดได้เพราะคุณจิตอยู่เหนือมันแล้ววะไม่งั้นคุณมีแต่กิเลสมันเหนือคุณอะไปกําหนดมันไม่ได้แล้วมันเข็มเพราะคุณเอาดีมันดีมันบีบคอคุณออกออกออกออกอหายใจไม่ออกเลยกิเลมันเอาตายเลยอนี่คือความละเอียดละอ้อที่ไม่ใช่พูดเล่น พิสูจน์ได้จริงทําได้จริงจะทำได้อย่างนี้แล้วก็สมบูรณ์บริบูรณ์วันในอาหารและรูปจับําะทบสัมผัสกับวลิย์กาหารอยู่จะมีผัสสะหารอยู่ก็ดูแลเวทนาได้หมดนเวทนาร้อยแปดหรือเวทนาเวทนาในระดับสุขเวทนาทุกขเวทนาอุาทกมสุขเวทนาก็สามารถไม่มีทุกขเวทนา สุขเวทนาก็เป็นสมนัติเวทนาที่เป็นเนคขมะอาศัยเท่านั้นส่วนจิตแน่ๆคืออุเบกขาเวทนาส่วนตัณหาก็เหลือแต่วิภาวะตัณหามโนษสนเจตนาส่วนวิญญาณก็รู้รูปรู้นามหมดแล้วกำหนดรู้รูปกำหนดรู้นามตามที่อาารยตรัไม่ในปุตตะมังสะสูตรก็สามารถกาหนดรู้รูปนามก็จบไปนี่ คนสามารถที่ปฏิบัติการกับลูกกับน้ำนี้ได้สมบูรณ์เขาก็จบแล้วไม่ต้องไปทําอะไรครับก็ใช้ลูกใช้น้ำอยู่อย่างสบายวิญญาณรู้นาำรู้ลูกมันได้ขนาดนี้ได้ขนาดนี้ตอนนี้ให้พระพรหมกําลังทำอะไรพระพรหมกําลังกรุณาพระพรหมกําลังทํางานช่วยเหลือโลกกรุณาด้วยจิตที่เมตตาทําสําเร็จก็มุติตาเสร็จแล้วก็จบ ผู้เบกขากิจก็รมพรมก็มีเท่านี้มีอย่างนี้เอาเลยเวลาไปเยอะละพักไปก่อนเอยิ่งพูดยิ่งสนุกใครสนุกบางโอ้โหหิ้วดีจังเลยดีก็ไปสร้างหนังเสียงเงินไปเยอะกว่าจะลงทุนไปกว่าจะจบอย่า ง, นงหนังนาเดสวนหิ้โหหมดไปหลายร้อยล้าน อัตมาไม่ต้องใช้หลายร้อยล้านเลยใช้น้ำมาละลายแค่นั้นก็พอแล้วน้ำมาละลายน่ไม่ใช่น้ำลายนะ <c oughs> อ้าทีนี้ใครจะว่าไงโอ้โหสิบเก้านาฬิกาสามสิบหกนาทีแล้วเ <c oughs> อาเอาเลยใครได้ไมโครโฟน ย, ยังไม่แจกไมโครโฟนกันหรอลบอะโอ้ไมโครโฟนต้างไม่ขาดแคลนวันนี้คเขาขอากาบครับพ่อครับอือเออทงแต่อยู่นี่หนึ่งอ้าวคือผมเข้าใจว่าองค์ประชุมกายคือองค์ประชุมของจิตแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้พัสสากภายนอกเราไม่เนี่กว่ากายใช่ไหมครับคือมันเป็นสัญญาที่เราปรุงทงางกายในจิตนะครับ อย่างนี้เรียกว่ากายไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะไม่ได้สมบัตินอกเพราะมันไม่ไม่ผสัสจักรอาญาอายตนะได้ออกมาข้างนอกก็ได้แต่กายคนรู้อยู่คุณควบคุมอยู่ทํางานกับโลกเขาจะซ้ําไป ก, กายเควบคุมข้า่นอกไม่ใช่ยังไผมหมายถึงว่าคนที่นั่งเจโตสมถะอย่างเงี้ยมันจะมีสัญญาขึ้นมาแล้วก็ปรุงสังขารเนี้ยไม่ออกข้างนอกไม่ใช่เลยผมแสดงว่าผมมันก็เป็นนามกายมันก็เป็นกาประชุมอยู่ในในนิจเปอนวิญญาณเหมือนกันอยู่บ้าง เพราะงั้นพุทธิย่าถึงไม่ยอมรับไงว่าคุณจะเอาเต็นั่งสมาธิแบบผยวังแบบอยู่ในจิตท่านไม่เอามันต้องมามีวิโมกแปดมันต้องมามีรูปภายนอกรูปภายในมีอจฉตังอรูปสัญญเอกพระหิทธารูปานิปัสสติมาสัมผัสภายนอกพระหิทธารูปานิรูปข้างนอกอยู่ครบองค์ของวิโมกข้อสองนี่เป็นต้น แต่ก็มีองค์ประชุมกันทั้งหมดเด้ว่ากายสัมผัส<ท>วิมุกแปดด้วยกายอันนี้เข้าใจเลยครับอันนี้อทําไมมันเร็วจังครับอย่างที่ผมไปกู้เรือมาครับมีคนเขาบอกคือพูดกับผม嘛ครับแต่มันแป๊บเดียวนะครับมันขึ้นมาก็บอกว่าอ้าวยังยิ่งไปกู้เรือมาไปรับจ้างกู้เรือมาได้กี่ตังค์มันขึ้นมองแป๊บมันก็กว่าดูถูกเรานีหว่าเลยประมาณ น, นั้นนะครับท <c oughs> ีนี้เห็นจิตปับ๊บเราก็หยุดปุ๊บอ๋อเขาคงไม่เข้าใจเขาคงไม่รู้ก็ออบอกว่าไม่ได้รับจ้างไม่มีไม่ได้เอาสกบานนึงไงเงี ก็รู้สึกว่ามันเป็นมันทำไมมันเร็วปั๊บหยุดปุ๊บอะไรรมมันเร็วยิ่งกว่าแสงจิตนี่เร็วยิ่งกว่าแสงไอน์สไตนะ์ในคนพบความเร็วของแสงตัวนั้นแต่พระพุทธเจ้านี่คำนวณจิตนี่เร็วกว่าแสงหมายถึงว่าองค์ประชุมมงกายสำเร็จไปแล้วอ่าโอ้โเร็วกว่าแสงขนาดที่เราใช้นี่ก็เร็วกว่าแสงแล้ว ที่เราใช้นี่ก็เร็วจิตของคนที่ใช้อยู่ขนาดนี้เร็วกว่าแสงถ้ายิ่งคุณทําให้จิต ด, ดียิ่งขึ้นจงก็ทั้งเร็วกว่าแสงได้ขนาดตัวโหล้าหน้าอนาคตล้าหน้าอาดีตคุณจะย้อนไปดูอดีตอย่างเก่าๆได้หมดเลยนั่นแหะบุเพนิวาสาันโตนสานุสติยานุณย้อนอดีตได้เห็นจริงๆเลยเห็นในของจริงหเห็นบนยาวุญาตท่านย้อนดูอดีตของท่านเนี่ยมันก็มีอดีตให้เห็นอย่างนั้นจริงๆเลย อไอสไตน์บอกว่าถ้ารเพิําความเร็วนี้สูงความเร็วของแสงคุณจะเจออดีตที่มันเกิดอยู่ไม่ผิดเลยไอสไตน์ก็มีความรู้ตรงกันและเป็นจริงด้วยเพราะที่ใช้อยู่ขนาดนี้มันยังไม่เท่าไรหรอกแต่ไม่รู้เร็วนะักย่างยังไม่เร็วเท่าไหร่ขอบคุณมากครับขอโอากาสค่ะยันดินเย็นชาวหินฟ้าค่ะ ฟังธรรมะวันนี้รู้สึกว่ามันที่สุดเลยนะคะอ่ะมันค่ะก็รู้คำว่ามันในอารมณ์นี่มันเป็นรู้ว่ากายในกายว่าความมันใช่ไหมคะมันมันเนี่ยคือกายในกายเรารู้ในใจของเราที่พระค่ะอ่าพอมันมันเนี่ยมันก็ไม่อย่ก็คือมันก็ไม่ทุกข์ค่ะ พอสักพักหนึ่งพอมันจะหมดเวลาทําไมว่าเราทุกนะเราไม่อยากให้เวลามันหมดนี่ะดีก็คืออ่านออกอ่านอาการชอบใจไม่ชอบใจอ่านอิทธารมณิตาลงขรงเราออกอแล้วทีนี้พบคือพบที่เราไม่ไม่มีพบอารมณ์ร่วมกับเสียงเพลงหรือดาราอย่างเงี้ยเราไม่มีพบก็คืออันั้นมันเป็นของเก่าของเราคือ คุณทำได้แล้วมันเป็นแล้วมก็เป็นคือพ่อแม่ก็ไม่เคยไม่มีเพลงไม่เราเคยร้องเพลงพี่น้องเจ็ดคนก็ไม่เคยมีใครมาร้องเพลงอย่างนี้นะคะ <c oughs> แต่ตัวนี้อ่ะก็คือว่าถึงเขาจะร้องเพลงบ้านทางตะวันตกตะวันออกเ็าก็ร้องแต่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทํไมไม่มันอารมณ์มันเป็นยังไงเราก็อยากจะรู้ว่ า, วาเขาชอบร้องเพลงทาไมร้องอยู่ได้อ่ะ บังทีว่าพอเราลองร้องกับเขามังเอ๊ะทําไมมันเหมือนคนบ้านะร้องเสียงขึ้นเสียงลงแล้วก็วันมีวันที่วันแม่นะค่ะแล้วเขาก็ให้ซ้อมร้องเพลงนะคะรู้สึกว่ามันเมื่อยนะคะไอ้ตรงที่มันร้องไม่ได้แล้วมันเมื่อยนะคะเอาเราก็ต้องทําใจโน้มน้อมไปเอร่วมกับเขาไปให้มันยินดีเขาไปบ้างไม่งั้นมันฝืนมันฝืนแล้วเราต้องทําแล้วก็ฝืนมันจะทําให้จิตเราเกิดสปาก ตรวจสไลด์แกลเลอรี่มันเมื่อยแต่ถ้าพบว่าเราโนม้มน้อมไปเสื้อมันก็ไปไม่มีอะไรสูญเสียมันก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ทุกแล้วก็ไม่สูญเสียมากนอ <c oughs> กจาต้องรู้อารมณ์ <c oughs> พูดถึงเรื่องไม่มีอารมณ์นี่อัตมาแต่ก่อนนี่อัตมาแปลกเพราะอัตมาแต่ก่อนนี่ดิงลมอมก็พองก็ไม่รู้เนาะว่ามันไม่สนุกยังไงดูหนังไม่สนุกยังไงอะไรเงี้ยนะ ดูหนังมันก็สนกุกตามภาษาเด็กทีนี้ยายอาตมาเนี่ยคุณยายเนี่ยดูหนังไม่เป็นบ้านอยู่หน้าโรงหนังเจ้าของโรงหนังบอกเนีย่ยไม่คุณมาเบิงหนังคุณยายบอกไปเบิงอีหยัง ท่านไม่เคยเลยไม่เคยเรื่องหนงเรื่องหนางเรื่องละเมงละครเรื่องอะไรไม่มีคือเป็นสมบัติของท่านมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยอาตมาตอนหลังเขามารู้ว่าโอ้ยายเราเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ยายของเราเนี่เป็นผู้ที่มาช่วยลูกช่วยหลานมาช่วยมนุษย์อื่นๆแต่ก็ท่านตามบารมีของท่านนั่นเนาะไม่เคยไปทําอะไรที่มันไม่เข้าเรื่องเค้าราวอะไรเลยละอารมณ์อย่างโลกรีไม่มี ยัดูหนังนี่นดูไม่เป็นอย่าพวกอาตมาเนี่บ้านอยู่ตรงข้ามโรงหนังทั้งบ้านเนี่ยอยากเดินเข้าเดินออกโรงหนังมเมื่อไหร่ก็มันไม่มีปัญหาอะไเพราะมพึ่งพาอาศัยกันโรงหนังกับบ้านเรามันคลินิกคลินิกหมอกินิกทา ง, งานทางนี้เขาก็ะพึงพากันอยู่ก็รู้จักกันดีเป็นสนิทกันบ้านอยู่ตรงกันก็ดูหนังฟรีอ่ะจะเดินเข้าเดินออกมเมื่อไหร่กันเดได้คุณยายก็บอกโอ้ทั้งเจ้าของโรงหนังก็บอกเนีไม่คุณไมาเบิ้งหนัง ท่าไม่เคยไปดูอาตมาก็าก่อนนึกไม่ออกเราก็เดินออกเดินเข้าเราก็เดินดูอยากดูก็มาดูที่ไม่ดีบางเรื่องดูสองรอบสามรอบเราก็เดินเข้ า, าดูมาดูฟรีจะยายไม่เอยเคยอะไรเลยแต่ก่อนมันมีดูมันมีรถแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมยังไงเนาะคนเรามันไรรถมันเป็นยังงั้นจริงๆนะ ม, นมันหมดจริงๆนะหมด กัตมาก็มันเกิดมาชาตินี้ก็ดิ่งลมอมก็พองมันก็มาให้มันเกิดรถตามโลกเขาบ้างก็ไปก็เขาพอเวลาเราตื่นเป็นตัวเองจริงขึ้นมาก็มันก็ง่ายะมันก็สลัดหรือมันละ้ลางไม่ยากแล้วมันก็เออเป็นแล้วก็จบได้แล้วก็จบไอ้ที่มันมีไอ้ที่มันมีมาหลอกๆมันก็หมดไปก็เกลี้ยงอะไรอย่างนี้เป็นต้นพิสูจเถอะแล้วเราก็จะรู้เขาเขาเองอ้าต่อใคร อขอโ<ด><ด>อกาสนะคะหน<ม>ึ่งดาวนาวามุนิยมค่ะอยากจะถามพรอครูว่าถ้ากิเลสพักยกเนี่ยค่ะเมื่อเอ า, เอายกตัวอย่างเรื่องพี่ก้าทําติดเรื่องเป่ายางนะคะเมืม่อเมื่อวัยเราผ่านมาแล้วเนี่ยมันพักยกแล้วจะกระทุง้งวิธีกระทุ้งเน่ยให้กิเลสออกมาเพื่อล้างเนี่ยเราจะกระทุ้งยังไงล่ะคะเมื่อมัน มันผ่านวัยมาแล้วถ้าเผื่อว่าเราปฏิบัติธรรมนละอันนั้นเป็นเรื่องของวัยมันเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องของโลกเนี่ยตามโลกที่นับถือกันนี้โลกนิยมกันผ่านวัยเขาก็ไม่ทำาอั น, นี้แล้วมันก็ทำไปชั่วแวบเป็นลิงลมองกระปองของวยพอคุณมีผลตัดสรูหรือมีผลเจตมันรู้แล้วว่าไอ้จะเสพสนุกอีกแค่นี้พอคุณ ล้างกิเลสอื่นได้ดีเลยนี่นะกิเลสตัวนี้มันดึกจ่อยดนึ่จิตจ่อยหึเล็กน้อยมันได้เป็นสมมติโลกเท่านั้นเองแต่ถ้าเผื่อว่าคนที่มีกิเลสจริงที่เป็นเด็กจริงกิเลสแบบเด็กก็ติดนี่ก็เป็นกิเลสแบบเด็กตามวัยถ้าเผื่อว่าจิตยังมีกิเลสนี่อยู่ชาติหน้าก็จะมีอยู่มันพักยกไปตอนนี้ก็ไปช่วงนี้ มันเลึกวัยนี้มันผ่านวัยเด็กมามไม่ไม่ฝ่ายหนุ่มอุ้ยน่าอายโลกก็ถือเด็กก็ไม่ทำโตแล้วก็ไม่ทําหรอกโตอย่างนี้ตรงนี้ยิ่งไปเป็นผู้ใหญ่เป็นคนยิ่งเตะท่าอย่าทำอย่างงี้เป็นผู้ใหญ่อย่างนี้ก็ไม่ได้ทําไม่ทําเตะทางงี้ไม่เอาก็ตามข่านิยมโลกหมายความว่าถ้าเรามุ่งลังศักยะของเราไปจนหมดเรื่อยๆ เ, เนี่ยไม่ต้องไปห่วงตัวตัวนี้ก็จะ่ตองลดไปเอง ใช่ขอบพระคุณค่ะไม่ต้องห่วงมันมันเป็นตัวย่อยมันเป็นตัวของโลกีที่มันครอบงำเราเลิงลงาหก็พองเท่านั้นถ้าเราไม่มีแม้เราไม่ได้ล้างมันมันก็ไปกิเลสตัวน้อยตัวเล็กซึ่งตัวใหญ่ที่เราทำมันมีฤทธิ์มีแรงมันจะคลุมพวกนี้ไปด้วยคุณไปล้างกิเลสทุกตัวไม่ไหวหรอกมันมีไม่รู้กี่ล้านล้านล้านตัวคุณจะทําเมื่อไหร่จบไม่นะมันจะได้ไปโดยปริยาย เอาต่อไปใครเอาเลยนะั่นได้ไมโครโฟนแล้อยู่ในมือข อ, อการนะครั บ, รบเอาเอา<น>จัดคิวกันดะีๆนะอย่าชนกันพังนะในวันนี้รู้สึเข้าใจอะไรได้ชัดมากครับท่านเอเราจะถามประเด็นว่าในฐนานะที่เรายังมีกิเลสอยู่แต่เราต้องใช้อนุโลมปฏิโลมนะครับอ๋ออย่าเพิ่งไปอนุโลมถ้าเผื่อว่าเราเองยังไม่ผ่านมุนจิตุกรรมยะตาญาณยังไม่ผ่านท<อ>ี่กิเลสมันปล่อยมันเพื่องแล้วอย่าไปอนุโลมอนุโลมพอเสร็จมันดิ ไปป้อนอาหารให้กิเลกกิเลกกั่วนอาั่วนเอาแมันจะไปได้เลยต้องให้ตายก่อนแล้วมันถึงจะป้อนกิเลได้กิเลคนเอากิเลไปป้อดผีตายผีในลงเคาะแล้วก็เอาอาหารไปตั้งให้มันถ้วยถ้วยยังไงมันก็ไม่กินให้มันตายจริงๆก่อนทีแล้วคุณก็เอาอาหารให้เขานี่คนเล่นมันยังไม่ตายไปอาหารให้เขาเสร็จแล้วที่ถ้าเราประมาณว่าเราพอสู้ได้ครับพ่ออย่าประมาทอย่าประมาทเอาเง้มันเลี่ยงก่อนยาดาลม ผ่านมุลจิตุงมยตยานก่อนผ่านแล้วท่านยังให้ปฏิสังขานุปัสสนายุยานด้วยนะต้องทําซ้ําต้องอาจารย์จนให้สังขารุปเปขายานจนให้อุเบขาเรานี่แข็งแรงต่อสังขารนะคนยึดจะสัจจานุโลมนิกยานคุณต้องค่อยอนุโลมอย่าเพิ่งรีบเหมือนกับเรา <S <S ยัางต้องกินอาหารอร่อยอยู่บ้านนะครับเรถือว่าอนุโลมไม่ก็ นั่นแหคุณก็ละหลเอาใจมันนี่แหละปรามาดเล่นรูกๆคำๆาะเลาะและไม่เอาจริงเอาจังเอาไเด็ดขาดเลยดิอาทงนี้เาเร็วค่ะขอโอกาสค่ะน้อมกับคารวะพรอครูเอตอนนี้มันก็คนรจะขายดีนะท่านสมณท่านศิขม่ขอเจริญธรรมพี่น้องทุท่านค่ะไเลไม่ต้องไหว้ครูแล้วมันจะหมดเวลาค่ะก็จะพูดเรื่องประเด็นเรื่องที่ว่าเราเคยทำตะบากกินมื้อเดียวเนี่ยค่ะ มันก็ล้มลุกคุกขานนะคะพวกครูคือพอมันกินได้ไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวมันก็ไปอนุโลมให้อย่างที่ว่าอย่างเงี้ยค่ะบอกเออเดี๋ยวมันเหนื่อยมากวันนี้เอากินสักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอไปชุมนุมนี่แหละค่ะกิเลมันออดซ้อีเก่งที่สุดเลยค่ะมันก็บอกว่ามันอ่อนแรงนะมันอยากได้กําลังเพิ่มมันอย่างงน้นอย่างนี้นะคะมันเหนื่อยมากนะมันต้องกินเติมไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนนี้พอไปที่ชุมนุมนี่ค่ะ ก็เคยทําตะบะมือเดียวในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็ทำนะคะแต่ก็ยังได้มีลมลุกคุกคาดแต่ไปมั่นใจเมื่อตอนไปชุมนุมนะคะ่ะพวอครูไปเห็นอาหารอะไรแต่ อ, อะไรที่มันปรุงแต่งมากมายนะคะเรากินไปแล้วรู้สึกร่างกายเราก็ไม่ค่อยดีนะคะเราเห็นโทษภัยของอาหารที่มันปรุงแต่งมากๆกลับกลายเป็นว่าเรามีความรู้สึกว่าเออครั้งนี้มันเหมือนจะเป็นครั้งที่เราจะทําได้ละมือเดียวเราจะได้มั่นคง ปรกฏว่าไปได้มือเดียวมาจากที่ชุมนุมนะคะก็รู้สึกมั่นใจมากว่าแม้แม้เราจะเห็นการยั่วยวนของอาหารที่ปรุงแต่งมากมายแต่ใจเราก็มีความรู้สึกว่าเรามั่นใจมากนะคะทวนไปเวทนาอ่านไปเรื่อยๆอมันจะเป็นอภิสัญญาเอออภิสังขารอเนินชาเป็นการรักษาผลอนุรักษนาประทานที่เคยถามพระครูว่าอ๋ออเนิชาเนี่ยมันหมายถึงว่าพอกิเลสเข้ามาผัสสะกับเราเนี่ย เราก็ไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวกับมันเราสามารถจะจ ะ, ะจะยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงได้โดยที่แม้จะโดนผัด ส, สะแล้วผัด ส, สะอีกอะไรเงี้ยคะ่ะเราทดสอบห ล, หลายครั้งเลยทำให้เกิดความมั่นใจสงสัยครั้งนี้เราคงจะได้มือเดียวแล้วก็ปรากฏว่าเราก็เออได้ต่อเนื่องมาค่ะค่ะก็เห็นตัวนี้ค่ะว่าเออมาต้องแบบผ่านการทดสอบแล้วทดสอบอีกอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะผมแค่นี้ค่ะครับขอโอกาสครับ หินแสงชาวชาวหินฟ้ า, <c oughs> าวันนี้ได้ยินประโยคใหม่ๆว่าสามารถทำสมมนัตมีความยินดีที่เป็นประโมทยังจิตตังที่เป็นให้จิตเบิกลานาเ บ, บ, บิกบานได้ออไม่ใช่ว่าอุเบกขาอย่างเดียว ทำได้อนุโลมไงสัจจานุโล ม, มิีการ์ยานทำให้จิตตัวเองอาศัยครับอาศัยจิตอันนี้เป็นคือเราทำจิตให้มันเล่นเลินกับเขาไปเท่านั้นเองครับก็ได้ความรู้อันนี้เพิ่มเติมว่าเราเบิกบานได้ได้ไม่ใช่แข็งทื่อครับไม่ใช่ แ, แต่ในขณะที่เรายังฝึกอยู่มันจะเป็นอย่างนั้นบ้างครับแต่เวลาเราอธุโลมได้ว่าเออเราลองปรุงอาศัยอันนี้ให้มันอนุโลมบ้าง ในไปแบบในทางเศร้ามองมันไม่ไม่ต้องเลยในทางเศร้ามองในทางที่เป็นโศกปริเทวทุกขะอุป า, า, ายาศาสจะนิดิหน่อยกก็ทุกที่ไปในทางที่หม่มองในทางที่ไม่ชอบใจงุดงิดงุ ด, ง ด, ง ด, งดง jas. ไม่ต้องเลยเราจะเข้าใจเลยจะแยกได้ว่าไอะอย่างนี้เป็นเรื่องทุกข์อย่างนี้เป็นเรื่องที่สุขโลกีก็ตามเปสมนัติไสมนัตก็ตามแต่เปสมนัตนที่เราอยู่เหนือมันแล้วนีคมัสิตสมนัตแล้ว ก็อาศัยสายอันนี้ไปครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสัมผัสวิโมก8แปดด้วยกายกายอันนี้คื อ, เ, อ, อเราปฏิบัติมรรคองแปดไปด้วยก็ได้เป็นตัวเช็คใช่ไหมคพ่อครูก็ใช่สิครับว่าเราเป็น ต, ตัวปฏิบัติมรรคองแปดตลอดเวลาลแล้วเช็คว่าเราหลุดพ้นจากสิ่งนี้จริงหรือเปล่าด้วยกายของเราใช่มีทั้งนอกทั้งในใช่ใช <c oughs> ครับ <c oughs> น้อมกราบขอโอกาส น, นะครับ อ, อมีนิทานจะเล่าให้ฟังนะครับพอดีมันเกิดตอนที่พ่อครูอธิบายอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มันเคยเป็นตรงนี้มันมันใช่หรือเปล่านะครับที่ว่าวิโมกแปดสัมผัสด้วยกายนะครับย้อนไปเมื่อตอนสักห้าขวบเนี่ยเราเห็นผู้ใหญ่สูบบุหรี่นะครับแล้วเขาก็โยนทิ้งเราเห็นแล้วเราวิ่งเข้าไปจับมาสูบ สุดปื๊ดเข้าไปเนี่ยเราสำลักไอแล้วเราทิ้ง <c oughs> เรารู้สึกทันทีว่ามันไม่ใช่ของที่เราจะต้องไปอยู่กับมันจนสุดท้ายมันก็หายไปเราโตขึ้นมาเราก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับมันแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเกิดการอนุโลมกับมันเกิดขึ้นก็คือว่าผมไปกับผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ก็จะท่องทำงานแล้วเขาชวนเราไปก็คือไปในผัแบนะครับอายุเราตอนนั้นประมาณสักสิบสยังไม่18บแปเขาก็บอกให้เราแอคท่าหน่อยนะต้องเป็นแบบเป็นบแบบแบบดูเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะ แล้วก็เป็นแบบว่าถ้าคุยกันบอกว่าให้มาจากตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนจะเข้าไปสืบจับอะไรสักอย่างเนี่ยครับเขาก็ให้ผมไปด้วยแต่ว่าเราจะต้องไปแอคนั่งดื่มบาลันดีสูบบุหรี่คือมันก็มีความฝิกจิตตรงเนี้ยมันเข้ามาพอพอมาฟังพวกครูแล้วเทียบว่าการอนุโลมคือประมาณอย่างนี้หรือเปล่าคือเราก็พยายามแอคสูบทั้ทงที่เราไม่ชอบอะครับสูบก็ไปแล้วมันก็ เราก็ต้องฝืนว่ามันจะสำลักจะอะไรก็<ช>วางมากไป<ช>แต่ว่าเบิกบานนะครับมีความรู้สึกว่ามันต้องทําไปกับเขาต้องแอคท่าครับเรื่องเลอแอคท่าเนี่ยนะอาตมาก็จําได้อยู่ว่าอาตมาถือศีล <ขอ S 1> เคร่ง <ขอ S 1> รปฏิบัติอยู่กระโม่ไปกินกระโมูกินเลี้ยงอัโ น, น้นนี่เขาก็ดวดเหล้าดวดยาแล้วก็นั่งเยอะเขาแล้วเราก็มีแก้วน้ําส้มแก้วอะไรเนี่ยอ่าแล้วก็สดน้ําส้มเขาก็สดน้าเหล้า สุดไปเขาก็เมาเขาเออะมาเถองกันเราก็เอออมาเถองกับเขาได้แล้วก็เมาน้ำสมของเราเนี่ยแหละเขาก็เมาเล่าของเขาไปเราก็เมาน้ำสมของเขานี่สนุกแล้วเขาก็ไม่มียินต่างแตกต่างอะไรกันเลยก็ใช้ได้แต่ว่ามันติดอยู่ตรงว่าทําไมตอนเด็กเราทิ้งได้เลยกับสิ่งนั้นนะครับแล้วทําไมเราไม่ไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งดีหรือว่ายึดกลับมาว่าเออโตขึ้นแล้วค่อยมาฝึกสูบใหม่อะไรอย่างเงี้ย มันไม่มีภูมิมันยังไม่รู้ทีแล้วก็ติดตัวนั้นก็คือไม่พอมาโตัวขึ้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบไปเลยก็กดีแล้วล่ะก็มันได้แล้วมันก็คือได้แล้วไงก็คือตัวนี้ที่ได้แล้วาได้แล้วมันก็ได้แล้วถ้าถมเมาทียบ ป, ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทําได้ขนาดนี้ถือว่าประสบความสําเร็จกับ ก, กิเลสตัวนั้น อ, อมันมีทั้งที่ตัวมันได้มาเดิมมันไม่เคยไปติดมา ก, ก่อน หรือเราไปติดมาแล้วเราเราเคยล้างมาแล้วในชาติใดชาติหนึ่งชาตินี้ก็เลยไม่มีด้วยก็ได้ถ้าอะไรที่เราไม่เคยไปติดมาเลยอ่าแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ได้มาแล้วได้ฟรีอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนั้นมันคือตัวไหนแต่มันไม่มีตัวนี้มันไม่ต้องไปล้างมะไมันก็ไม่มีอยู่แล้วเราก็สบายไปเลยแต่ตัวไหนที่มันมาติดชาตินี้มันติดมาก่อล้างถ้าเผื่อว่าชาตินี้มันติด เพราะใหม่ๆชาตินี้เองมันก็ไม่ชาไม่นานเท่าไหร่แต่ถ้าเผื่อว่าติดชาติก่อนมาก็ชาตินี้ก็มาทำต่ออีกมันก็ต้องล้างนานหน่อยยิ่งติดมาหนักมันต้องล้างมากกว่าธรรมดาก็ตอนนั้นเองนะก็เลยก็เลยบอกว่าพอดีเมื่อกี้ตรงนี้ต่แรกตอนแรกแตพูดก่อนนะพอดีหนึ่งดาวถามเรื่องเป่าเป่าอย่างๆก็เลยคิดย้อนกลับบางอย่าง อ, อ, อาการมันคงประมาณอย่างเงี้ยก็ตอบไปแล้วว่ามันไม่ใช่ในของเราหรือว่าทำได้ขอบพระคุณครับอ้าวใครอีกอ้าวเอาเลยครับขอโอกาสครับผมคุณงามคว า, ามดีมากครับสบายมากคุณต้องไปต่อที่ทะเบียนน้านายทะเบียนก็เติมนะคุณชื่อตั้งชื่อว่านาดี งามดีมากเฉะนั้นไม่มีงามความดีมากนะทำไ ม, ไมเขาใส่ความขึ้นไปอีกไม่เพราะท่านเติมได้เขา ต, ไตไ่ไม่เกินเติมได้ไม่เกินเติมได้เพราะมันจะเต็มขึ้นแต่ว่ า, าไม่นะครับผมเอาเคนั้นแหละนะครับอ๋ อ, อจะถามอะไรว่าไปเลยคือไม่ไม่ถามอะไรนะครับผมมีคนมีปัญญาก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตั้งแต่อยู่กับพ่อท่านยังไม่เคยถามพ่อท่านนะเพราะผมมีปัญญาตลอดตั้งแต่มาอยู่กับพ่อท่านในปัญหาไม่มีเลย พูดจริงนะครับปัญหาไม่มีมันมีสองอย่างคือคนมีปัญญาจริงกับคนโง่จริง <laughs> จะมีสองอย่างค น, คนที่ไม่มีปัญหาก็ไม่รู้ว่าจะถามมาอะไรมันโง่จริงกับมีปัญญาจรมัมีสองอย่างครับครับก็ ก, ก็ก็คิดกันเราเองในกันว่าผมจะอยู่อย่างไหนเออแต่ว่าผมว่าผมคงจะอยู่อย่างแรกนะครับเพ <laughs> าวต้องคิดเ <ra> อาเป็นเพราะเพราะท่านครับผมเปิดใจเลยครับเพราะว่าตั้งแต่อยู่กับพ่อท่านมาสาสิกว่าปีเนี่ยนะ ยังไม่เคยเจอสภาพนี้เลยนะครับสภาพแบบที่บอลบอนี่ครับไอ้ที่ผมย้ำพูดบ่อยๆเหมือนแผ่เสียงตกร่องอ่ะมิตร ด, ดีเพื่อนดีเนีสังคมสิ่งแวดลอด้อมดีเ่ยผมพูดเหมือ น, น, นเสียงตกร่องเลยครับผมมันเข้ายุคแล้วมันเข้ายุคแล้วรับตอนนี้ยุคมันเกิดอะไรขึ้นมาละครับผมเนี่ยแค่เข้ามาไม่กี่วันเนี่ยนะเสียชื่อเสียสายกุลเลยจากดีง่ายสบายสบายง่ายเนี่ยกลายเป็นงามดีมากสบายมากจริงครับ คือผมนี่เป็นคนอย่างนี้นะก็สิ่งที่ทำได้เนี่ยจะพูดออกมาได้ครับผมนี่ก็เมื่อเช้านียิ่งชัดนะฮะคุณเตียนพูดเหนี่ยวกําลังไกรนะวิ่งรอบบุงนี่ฮะสกิโลกว่าทั้งวิ่งทั้งเดินนะไปสองรอบผมทั้งวิ่งทั้งเดินผมไม่เหนื่อยนะฮะกำลังผมมากกว่าเดิมผมก็เลยยืนยันได้ว่าผมมีความสุขมากกว่าเดิมจริงๆ ผมบอกเลยนะผมเข้ามาเรียนนี้นะไม่กี่วันนะที่ผมบอกว่าไอความกำหนัดเนี่ยกรรมราคะของผมหายไปอะ่ะหายไปแล้วมันยังไม่เคยมาเลยนะตั้งแต่หายไปในวิญญสี่พอไอตัวกำหนัดหายไปเนี่ยกาลังมากขึ้นจริงๆจริง<ม>อันนี้เรื่องจริงจริงนะผมว่าไม่รู้คนอื่นได้เหมือนผมหนระือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมได้เยอะเลยผมว่าโชคดีแล้วนะที่เรามาเรียนเนี่ยนะ เชื่อผมแต่ว่าผมได้ในคนอื่นต้องได้ด้วยแต่จะได้น้อยกว่าผมโพราะคาเพ็ยมันน้อยกว่าผม <laughs> พปรแก่นี้ก็เพื่อนมันใส่เลยก็ขอบคุณมากสาธุอ้าวตอนนี้ขอเวลาให้นักบวชได้ไหมมันจะสองทุ่มตรงละอ้าวทีนี้นักบวชเอามาร์กโฟนมาให้ทางนักบวชทีโอ้โหวันนี้ก็ะทงทําหน้าที่ดีจังเลย โอ้นานๆเห็นหน้ามาทำหน้าที่งี้เจ้าประคุณโอ้โหนายชาติเมืองพุทธเนี่ยอ้าวว่าไปว่าไงมีมีค่ะกราบนวันสการค่ะทางนั้นก็มาให้ทางสมณะมั่งดิ ไมโครโฟนนมธเอา เ, อาเอามาใทางสมัมม น, นค่ะวันนี้ก็ได้ชัดเจนนะคะในในรายละเอียดเรื่องของกายในกายเวทนาในเวทนาซึ่งค่อนข้างจะเคยรู้สึกว่าเข้าใจยากมากแต่วันนี้ฟังมาหลายครั้งแต่วันนี้ก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะทำให้เรารู้ว่าการที่เรามีผัสสะต่างๆเนี่ยมันก็จะดำเนินการ เป็นองค์ประชุมของกายในกายแล้วก็เข้ามาสู่เวทนาในเวทนาแล้วก็อ่านจิตของเราไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะสามารถชัดเจนได้ว่าตอนนี้เราเกิดเวทนาอะไรแล้วเราจะปรับจิตใจของเราอย่างไงนะคะในเหตุปัจจัยนั้นถ้าหากว่าสิ่งใดที่เราผ่านแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเออ มันก็เห็นความจริงตามความเป็นจริงนะมันไม่ทำให้จิตใจของเราเดือดร้อนแต่บางอันที่เรายังดูดผักอยู่เนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออเราต้องทำกับมันค่อนข้างยากเราจะต้องมอีอย่างที่พ่อท่านว่าต้องมอีต้องประหารมันสังวรประทานคือมันต้องมีสติควบคุมในการที่จะผัดสะเนี่ยมากขึ้นในสิ่งที่เรายังไม่ได้นะคะแล้วก็ด้เห็นชัดเจนว่า ความสงบหรือจิตว่างของพุทธเนี่ยไม่ใช่สงบว่างแล้วแบบกลายเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยนะะแต่กลับจะมีพลังมากขึ้นนะะอย่างคุณอะไรนะวะ <c oughs> ความงานอะไรดีงามมากอะไรนะคะงามดีมากงามดีมากงามความดีมากว่าพอกิเลสเราลดลงไปเนี่ยค่ะจะเกิดพลังอันนี้ก็ขอสนับสนุนเรื่องของการที่ถ้าเรื่องของเมถุนธรรมหมดไปเนี่ยนะคะจิตมันจะว่างเบาสบายจะทํางานกับใครเพศต่างเพศอะไรใดๆเนี่ยมันจะไม่มีตัวมาต้อง อะไรระวังอะไรมากมายมันจะเป็นเหมือนทุกคนคือเพื่อนของเรานะคะในสิ่งที่เราทําได้อาหารการกินก็เหมือนกันในอันที่เราผ่านได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราสบายใจไม่ต้องต่อสู้กับมันมากและจะได้เห็นว่าออของพุทธเนี่ยเวลาสงบกิเลสจางคายไปแล้วเนี่ยอย่างที่พ่อท่านบอกนะคะก็จะมีลักษณะกระปรี้กระเป๋าเข้าคล่องมีการทํางานที่มีคุณค่าอย่างที่พ่อท่านเคยบอกว่ายิ่งจิตว่างก็ยิ่ง ไม่ว่างอะไรเงี้ยนะคะมันจะมีพลังพิเศษออกมาจะมีวิมุตเป็นพลังอันนี้ก็เรียกว่าก็ชัดเจนนะคะในเวทนาในเวทนาอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราทำได้จริงเราก็จะพบกับอุเบกขาเวทนาในเหตุปัจจัยแต่ละอันค่ะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอ้าวไปสลับทั้งสมณะกราบข อ, บขอบโอกาสครั บ, บ, ค, รบคือผมมีปัญหายาเรียนถามพระครู เ็ น, นงนครับคือพอรอครูอธิบายว่าเราจะเรียนรู้วิญญาณในขณะที่ตากระทบรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสแล้วก็เรียนรู้ศึกษาเรียนรู้เห็นอาการของกิเลสอาการของวิญญาณผีอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเราไปไม่ได้ไม่ได้มีกายเนี่ยไปกระทบรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสเนี่ยเราไปนั่งแล้วก็สงบแล้วก็ระลึกขึ้นมา มันก็จะเป็นตัวสัญญาขึ้นมาเป็นแค่ตักกะมันไม่สามารถที่จะไปลดกิเลสได้อย่างนั้นนะครับอันนี้ว่าอย่างแค่พ่อครูอธิบายนัยยะตรงที่ในวิชา8เนี่ยมันมีเตวิชโช อ, อันหนึ่งเตวิชโชคืออาการที่เราเ ล, ลึกขึ้นมาแล้วเห็นอาการเกิดอาการดับอะไรพวกนี้ขึ้นมาที่จะในการลดกิเลสเนี่ยนัยยะของเตวิชโชที่เป็นสัญญาที่เป็นตักกะ ที่ลดกิเลสไม่ได้กับนัยยะที่เราเอามาใช้ในการลดกิเลสได้จริงมันมันเป็นยังไงครับต่างกันยังไงในขณะที่เตวิโชเนี่ยเราบุเพนิวาสานุสติญาณเราระลึกถึงสิ่งที่เราเคยผ่านมาจริงไม่ต้องไปข้ามชาติว่าจะเกิดเป็นนายนั่นนางนี่อะไรอยู่เราไม่ต้อง ก, กรรมกิยาเหตุการณ์ที่เราเกิดมาในชาตินเมื่อวานนี้ เดือนที่แล้วอะไรที่เราจําได้รา ล, ลึกขึ้นมาได้เหตุการณ์นั้นๆๆั้นๆและเหตุการณ์นั้นๆเรนก็จะมีเหตุมีนิทานมีสมุทัยปัจจัยต่างๆมันปรุงแต่งกันอยู่เป็นเรื่องเป็นราวและเรื่องราวนะั่นแหะเราก็เป็นตัวอยู่ในนั้นด้วยเราก็ไปเกี่ยวข้องไปกระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายมาเป็นความจําทั้งนั้นแหละแต่เป็นเรื่องจริงที่เราจําได้และมันเกิดอารมณ์ไหม เกิดอารมณ์ยังไงเราได้ปฏิบัติตอนที่เราสัมผัสจริงตอนนั้นไหมไปเจอเหตุการณ์นี้โอโ้โหคนพูดไม่ถูกหูขึ้นมาตอนนี้คนนีนะ้เสร็จแล้วเราก็แหม่ไม่ทันกิเลสมันออกมาแสดงปาดปาบเลยเราก็รู้รรว่าเออไอนี้เราผ่านมาลงบัญชีให้คะแนนตัวเองซิ่บอกว่าติดลบเท่าไหร่แสดงอาการออกไปกิเลสเท่าไหร่ แต่ถ้าเผื่ว่าเรารึกไปแล้วโอ้ตอนนี้เรารู้ทันแล้วได้ปฏิบัติ ร, รมเราได้รู้กิเลสเกิดแล้วก็ได้จัดการกับกิเลสไปทันทีโอ้ได้ก็เป็นการตรวจสอบว่าเราทำหรือมันสัมผัสแต่ต้องถูกกระทบกระเทือนกระทุงอย่างแรงเออเราก็เฉยสบายไม่เกิดเราก็ได้รู้ว่าเออมันไม่เกิด กิเลสเกิดก็รู้กิเลสไม่เกิดก็รู้กิเลสดับก็รู้ได้ปฏิบัติก็รู้ปฏิบัติได้หรือไม่ได้ก็รู้ปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกถก็รู้นี่คือการลงบัญชีแต่วิชโชส่วนคุณเองคุณบอกว่ามันไม่ใช่ในการปฏิบัติไปลบล้างเลิศละกิเลสก็มันเอาสัญญามามันไม่มีของจริงมันไม่มีตัววิญ ญ, ญาณจริงคุณจะสมมุติยังไงขึ้นมาละ่ะ ถ้าคุณจะบอกว่ากิเลสเกิดตอนนั้นก็สัญญาดึงออกมาเลือกเกินอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้เท่านั้นเองโอ้มันทำไม่ได้ก็ยังทําไม่ได้และคุณจะไปทําตอนนั้นอ้าวก็ทําได้สิตอนนี้มันไม่จริง อ, ะอ่ะอ่าสมมุติว่าอา้าผ่านมาตอนนั้นแล้วกิเลสมันเกิดแล้วผ่านมาตอนนี้คุณก็บอกว่าเออเกิดมาสมมุติมันเกิดตอนนี้จริงๆข้าจะไม่ให้เกิดแต่ข้าก็ไม่เกิดจริงๆตอนนี้แล้วมันจริงไหมล่ะโอ้ มันคืออะไรล่ะมันไม่ใช่มันต้องเจออย่างนั้นจริงๆอีกทีหรืออีกหลายทีก็แล้วแต่คุณก็ทําให้ทันทีเสร็จแล้วทําแล้วคุณก็ไประลึกอยู่เออตอนนี้ทําได้เออตอนนี้ทํายังไม่ได้คุณก็ไปตรวจสอบเทวิโชลงบัญชีไงตรวจสอบบัญชีลงบัญชีลงอันไหนล่ะบวกอันไหนลบอันไหนคุณก็ลงไปสิไปช่องไหนอ้าวอ๋อ ขอกาบพ่อครูและหมอดำนะแล้วก็ศิทธิธรรมาจเจริญธรรมพวกเราทุกคนวันน <Azure configure. S 1> <Digital. S 1> ี้อาตมาโดนอีกแล้ววันนี้ะมีคนบอกอาตมาว่าท่านเวลาสรุปมันไม่เข้าเรื่องเลยว่างั้นนะวันนี้ก็จะสรุปไม่เข้าเรื่องอีกเหมือนกันวันนี้ก็ก็คือเคยนะอาตมาสมัยเป็นฆราวาสอยู่ที่ภูผาฝาน้ำเนี่ยมันต่อสายไโซลาเซลล์กับแบตเตอรี่อะ เราก็เราก็ประมาทนะว่าเอ้ยมันสิบสองโวลต์แค่นั้นเองอ่ะมันมันไม่ช็อตหรอกมันไม่ถึงกระตายหรอกนะแต่ก็ต่อไปต่อไปมันก็มันก็ไม่นะสายมันก็ไม่แต่มาก็ดูอะแต่วันนี้ก็โดนอีกแล้ววันนี้นะวันนี้ก็มาต่อมาดโดยรถเจ้าลูกหลวงเนี่ยว่าเอ้ทําไมมันขับไปขับไปแล้วทําไมไฟมันลงเร็วเหลือเกินเนะ่ยะขับไปวันก่อนเน่ยมันลงเร็วเพราะเหตุอะไรนะ เรามาเช็คดูว่าแต่ละแต่ละลูกนี่มันมีไฟอยู่เท่าไหร่อะไรพวกนี้ว่ามันลูกไหนเสียถ้าเสียก็จะเปลี่ยนแต่เช็คดูเช็คดูแล้วมันก็เต็มหมดทุกทุกทุกลูกในสิบสองลูกอ่ะแต่ว่ามันมีเหตุอันหนึ่งว่าตัวหัวขั้วนี่มันสกปรกมันมีขี้เกลือมีอะไรองีเราก็ทําไปนะหัวโตก็มาอยู่ใกล้ๆกันตะมาแหละหัวโตก็บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอะไรพวกนี้แต่เรามาได้ทันระวังไงพอมันช็อตปุ๊บนะมันมันปึ้มเลยนะ ไอ้มือนี่ไหม้เลยนะปุ๊บเลยอาตมาอาตมาก็เย้ยเฉย อ, อ่ะ <c oughs> บอกท่านเป็นอะไรรึเปล่าอาตมาไม่เป็นอะไรอย่างไม่มีอะไรนะเข <c oughs> าคือตอนนั้นมันบัญชา <c oughs> รื อ, อะไรไม่รู้ <c oughs> นะ <c oughs> บอกอาตมาเหลือมใส่เขนะหรือไม่ก็หายาชิฟันมาใส่อะไรพวกนี้อาตมากเม็เห็นเป็นอะไรอ่ะแต่สภาพมันเปดิปดแชบดไอ้บดร้อน <c oughs> ร้อน<ล> <c oughs> อคือคือเพราะเหตุเหตุการณ์มันเกิดเกิดแล้วอาตมาก็ไม่ได้หยุดอาตมาก็ทาต่อไง แต่ว่าเราเราก็ไม่ได้สัญญาเว้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็มานึกได้เขาบอกว่าถ้าเกิดเด็ยัยลักษณะไฟหรือลักษณะพวกร้อนพวกอะไรเนี่ยให้อร่อยอาตมาก็ไปจามได้ว่าเอาน้ําปัสสาวะหมักไว้ตั้งนานแล้วนะก็เลยแหยงไปแล้วก็จับขวดนะเวลามันปวดใส่ปวกร้อนก็จุ่มลงไปอะไรพวกนี้แต่มันก็ดีขึ้นนะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้ว ก็ไม่มีแล้วก็แค่นี้จเจริญธรรมเราเห็นการจริงบดเวลาแล้วครับเอาเถอะเอาเอาเอานั่นแหละให้มันถึง15นั่นแนหะเอานาฬิกาเรือนนั้นมัน15มันเด็วกับาของเราหน่อ ย, อยครับวันนี้พ่อครูทบทวนเรื่องกายในกายนะซึ่งโลกุตละสนี้อยู่ในเล่ม31็ข้อ620ครับ อ่าหกร้ยี่สิบครับก็ร้อยยสิบมสอ็ดน่าเอาเ่มสามสิบเอไปจำไปเล่มสิบสาก็อธิบายเรื่องกระบวนการปฏิบัติธรรมนะก็ทบทวนไปด้วยว่าเออว่าเราปฏิบัติธรรมตามนี่ไม่ว่าเราเห็นสักยะพรวคือรู้องค์ประกอบเมื่อเจอภาษะองค์ประกอบว่าเมืกิเลสการมหรือโทสะมันเกิดเมื่อจับอะไรแล้วเนี่ย นะรู้ว่าอันนี้เป็นอารมณ์ของเราแล้วที่เราเป็นนี้แล้วก็เป็นผีและเป็นเทวดาก็ให้ตั้งศีลจัดมันพอตั้งศีลและเสร็จแล้วเนี่ยพวกโกอธิบายว่าผีมันก็จะดิน้นนะอันนี้ดิ้นแพ้ชนะตรงนี้แหละนะสู้กันแหลกลานตรงนี้แหละนะซึ่งถ้าเราแพ้บางทีมันก็เศร้านะโสกะปริเทวะทุกขโท ม, มนัดโอ้ยบางทีบางคนก็คิดไปเลยว่าเฮ้ยเลิกตั้งตะบะดีกว่าว่า ตั้งแล้วแพ้ไม่ตั้งจะได้ไม่แพ้อันนี้เนะี่ยไปเลยกิเลสมันเข้าข้างตัวเองไงบางทีตั้งไปแล้วเข้าวรรษาตั้งไปแล้วเคยตั้งตะบะเลือกขนมหวานเข้าพรรษาเฮ้ยเดี๋ยวไปลองผัสสะด้วยซิว่ามันยังไม่หมดกิเลสเลยแนะผัสสะมันก็หนำใจนะครับไปเช็คบินอะ่ะกินเต็มที่เลยอันนี้ก็คือไม่รู้จักผีอะ่ะเขาเรียกว่าเมื่อกี้เขาบอกอนุโลมนะครับคือกิเลสยังไม่หมดมันกดข่มไปเฉยแค่สมเดือนมันก็สู้ไม่ได้อื พระครูอธิบายว่าต้องเราพัฒนาให้ได้เข้าใจแล้วก็ล้างมันเนี่ยให้พ้นสกกจนหมดวิธีกิจฉาจนถึงขั้นที่ว่าไปถึงอุเบกขาได้นะอันนี้ก็พระครูก็บอกว่าซึ่งถ้าเวกขาได้เนี่ยก็เป็นการตรวจสอบตรวจสอบคือวิโมกเสียคือในขณะที่ปัจจุบันที่ก็ศว่าเราว่างจริงไหมจิตเราสะอาดจริงหรือเปล่าแล้วมันมีเศษเหลือหรือเปล่าว่าเอ้ยเราเลิกมาตั้งนานแล้วเนี่ยไอ้มือเดียวเนี่ยมันยังอยากกินอยูอป่ป่ะนะ หรือแตมาเนี่ยกายศาสตร์แตมาเริ่มตั้งนานเนี่ยถ้าเดือนสิมันมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเลยเปล่านะมันมีเหลืออยู่ไหมพบอยู่หรือเปล่านะแล้วสัญญาที่มันกระทบมันเนี่ยมันเป็นสัญญาเวทนาตรงไหนบ้างเมื่ที่เกิดบ้างนะเพราะครูก็ได้ตรวจสอบนะว่าเมื่ออาจจะนะสัมผัสแล้วเนี่ยมันมีไม้สะอาดหรือเปล่าสัญญาสะอาดไหมสังขารสะอาดไหมนะผัสสะที่มันมันสะอาดจริงหรือเปล่า มีตันหาหรือเปล่ามีการมาตันหามีพบในเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าเรามีวิพากนาวิจารณ์ที่จะลดรายจ่ช่วยเหลือคนอื่นไปได้อุปทานเราังเหลืออยู่เปล่านะแล้วก็ตรวจถึงท่านจิตเราสบายแล้วเนี้ยก็ไปช่วยคนอื่นเขาว่าเป็นในการวิน ญ, ญ, ญาติพิจิวิน ญ, ญ, ญาตเราเป็นยังไงถึงขั้นตรวจสอบความเบาว่างนะวิการรูปการทํางานของเราแต่ละวันแต่ะวันเป็นยังไงบ้างนะแต่มาเคยทดสอบเรื่องการกินมื้อเดียวเนี้ย ตรจสอบว่าเวลาไม่สบายน่ยตอนที่เป็นคาราวานเน่ยกินมื้อเดียวไม่สบายอยากกินมื้อที่สองไหมแล้วนกะ็ <c oughs> ให้กินยามื้อที่2สองนะอยากกินหรือเปล่าเมื่อกินมื้อที่สองแล้วเนี่ยยังอยากจะกินต่อไหมเมื่อหายไข้แล้วเนี่ยมัน ก, ก็ตรวจสอบแล้วเวลาที่ไปงานต่างๆเนี่ยเวลาเขาไปงานห่าใจไปเขาเนี่ยเที่ยงเนี่ยเราบอกถ้าเกิดเกินเที่ยงไม่กินข้าวเพราะจะมีสมณะ บ, บางท่านเ้าฉัน บาง ท, าท่านก็ไม่ฉันแล้วแต่มาอยู่รวมวงที่ไม่ฉันพอไม่ฉันปั๊บเขามีงานให้เต็มหมดเลยข้าวเนี่ยโอ้โหทดสอบมากเลยงานหนักล้างหนุนล้างนี่แล้วเย็นไหมไงอารมณ์มันยังไงบ้างมันโหยหาขนาดไหนเออมันก็พอเป็นไปได้แต่ก็มีโหยหาอะไรบ้างนะมันตรวจสอบสิ่งสำคัญว่าจิตเวทนาอารมณ์เราสื่อรู้สึกเราเป็นยังไงเป็นการตรวจสอบภาษะที่เหตุการณ์ที่เราไม่เจตนาแต่มันก็เกิดขึ้นอารมณ์เราก็เออเป็นไปได้มีปัญหาอะไรเราก็อ่ามีโหยหาบ้างนะที่จะเป็นอีก้นอย่างนี้นะ คือก็ตรวสอบจิตเราเป็นอย่างเงี้ยแม้แต่แต่ะอันตรละอันที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่พ่อครูได้อธิบายในวันนี้แต่เห็นว่าคุณงามความดีมากในกําลังดีมากเลยนะตอนนี้ที่ลงปุ๋ยเนี่ยเรามีภาษาอย่างหนึ่งคือเราต้องรื้อกองปุ๋ยนะเรามีคุณสังวรแเขาสบายมากเขาสบายมากอคุณมีมีคุ ณ, คณสังวรดีมากไม่เป็นไรมีคุณอ ะ, อะไรอ่าทางพุทธ โอ้โหพวกนี้กำลังมหาศาลทางพุทธเนี่ยปูปะปูปะปุแต่ใครกำลังดีเราอยากให้ไปแบบทดสอบไปลื้อกองปุ๋ยดูนะแล้วจะรู้ว่ากำลังดีขนาดไหนขอเชิญได้ที่โรงปุ๋ยจเจริญธรรมอาเอาละเวลาหมดตอนนี้ก็อ่ามันดีแล้วล่ะนะพวกเราปฏิบัติไปจะเกิดความจริงนะอาอยางที่ศิฆมาตร รินฟ้าว่าหรือว่าอย่างที่ดีง่ายว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นผลเกิดเป็นเรื่องจริงเกิดรู้เองเห็นเองเป็นเองและสรุปน้าอย่างที่หลายคนก็คงจะเข้าใจคงเห็นจริงว่ามันมีอะไรใหม่ใม่มันมีอะไรแปลกมันเกิดรอบใหม่รอบใหม่ของชาวโศกหนา รอบใหม่นี้มันเกิดสําหรับอาตมาเนี่ยมันเกิดทํางานมาสี่สิบปีเนี่ยมัน 4, สีส่ทศวรรษกําลังขึ้นทศวรรษที่ห้าขึ้นทศวรรษที่ห้าสัญญาเลขเลขหนึ่งสองสามสี่มันเริ่มอันที่สองห้ามันก็เริ่มอันที่สองที่เป็นตัวที่สองละกําลังไล่กันไปเรื่อยๆนะมันก็ไปหาห้าหาหก โอ้โหถ้าหกนี่รับรองว่าจะสนุกกันนี่เยอะเลยขึ้นเจ็ดเมื่อไหร่แล้วออรอไปดูมารอไปดูสักประมาณอายุสักอาตมาว่าอาตมาอายุสักประมาณไม่ต้องถึงร้อยหรอก95้าบห้านี่ก็ประมาณนั้นนะอ่ะอีกสักส5ห้าปีประมาณนั้นอีกสักสบปีนะจะเห็นอาตมายังเด า, นะเดา ว, ว่า เอออาตมาอายุรอยนี่สงสัยคนจะมารุมฉลองนะเพราะว่าอาตมาจะอายุรอยไม่ธรรมดารอยนี่คนก็ทําไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหมรอยคนมันก็ไม่ธรรมดาแล้วแต่อาตมานี่ยถ้ารอยนะอาตมาว่ามันไม่ใช่ธรรมดาคนจะมาฉลองอย่างอาตมาว่านะดาวนะดาวนะจะเป็นอย่างไนหรือเปล่าไม่รู้อ่าใช่สิ เรียบร้อยง่ายงามก็นี่เยอะนะ อ, อ้าวอตมาเคยแปลไว้ในสันติแปลว่าเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามสันติเนี่ยเรียบร้อยราบรื่นง่ายงามอ้าวไปนอน เรียนประมาทกันแล้วก็ไม่ง่วงเรียนประมาทกันก็ยังสนุกในธรรมนี้มีเบิกบานในธรรม